บทที่หนึ่งร้บระพินไพรวันยังคงยืนสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นใช้ไฟฉายส่องหน้าคนของเขาทั้งหมดที่กระหืดกระหอบมายืนรายล้อมรอบกายอยู่ในขณะ น, นี้อย่างพินิจพิจารณาทุกคนเหล่านี้สีหน้าเต็มไปได้วยความตโหนกตกใจงง ง, งนันจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ก็ไม่มีใครส่ออาการให้เห็นว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับภัยอันตรายใดๆเว้นไวแต่อย่างเดียว คือเหมือนคนที่กรากรมเดินหนักมาอย่างแสนเหน็ดเหนื่อยเท่านั้นเขาเรียกชื่อเรียงไปตามลำดับจนครบคนและทุกคนก็มีอาการรู้สึกตัวครบถ้วนจะมีก็แต่เพียงความประหลาดใจต่อเหตุการณ์เหล่านั้นประหลาดใจในข้อที่ว่าอยู่ไม่อยู่ยังไม่คาดฝันก็ได้ยินเสียงปืนระเบิดกึกก้องและพลานใหญ่ก็มายืนฉายไฟเรียกอยู่ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในระหว่างที่ทุกคนกาลังเดินคลาหาทางกลับ ความมืดของราวป่าที่แวดล้อมอยู่ในขนาดนี้ยิ่งทำให้พรานทั้งหกไม่สามารถจะมองเห็นอะไรรอบตัวได้นอกจากพรานใหญ่ผู้ยืนส่องไฟอยู่ตรงหน้าซึ่งในความรู้สึกของคนเหล่านั้นคล้ายๆกับว่าจู่ๆรบพินก็โผล่พรวดพรานขึ้นมาให้เห็นได้ยังกะปาฏิหาริ์ทุกคนรุมประดังถามเขาอยู่เซ็งแซ่เช่นนั้นว่าเขาโผล่มาจากไหนตั้งแต่เมื่อไรและไอ้ที่ยิงหยกยกนี่นะยิงอะไรและบอกเป็นเสียงเดียวกันหมดว่า ค้นหาทางกลับไม่พบยอมพานผ่อนลมหายใจเฮือกใจจริงของเขาอยากจะกรบเกลื่อนอัมพรางซะไม่อยากบอกว่าเหตุการณ์แท้จริงที่เขาเผชิญกับสายตาและใกล้ไขนั้นมันคืออะไรแต่พยานหลักฐานมันก็ปรากฏชัดอยู่มีน้ำซ้ำพวกนั้นยังเพิ่งจะได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาอย่างฉับพลันโดยเหตุการณ์ต่อเนื่องสดๆร้อนๆไม่จะปิดบังยังไงก็คงไม่ไวายสงสัยอยู่นั่นเอง ก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนเสียงเรียกและเห็นลำไฟฉายจากฉันทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ล่ะเขาสอบถามสภาพความรู้สึกของคนเหล่านั้นก่อนที่จะตื่นตัวสานึกกับสภาพเหตุการณ์แท้จริงจะทำอะไรกันอยู่ละนายเสยร้องลั่นหน้าตาเลิกหลักจ้องหน้าเขาด้วยความพิศวงขีดสุดอีตัวนั้นพวกเราก็กำลังลากน้มไวยจะเดินกลับที่พักอยู่นซีนย รีบกันอย่างที่สุดเพราะมันมืดลงแล้วถ้าเดินเท่าไหร่ก็ไม่พบทางเก่าสักทีขามาจำได้นะว่าเดินกันแค่ไม่อี ก, กี่อืดใจแต่ขากลับนะเดินตั้งร่วมชั่วโมงยังไม่ถึงสักทีมันไม่น่าหลงเลยราพินถามเป็นรายตัวทุกคนแม้กระท่าขยินและส่างตาก็ได้รับการยืนยันอย่างเดียวกันหมดนี่จะให้ถึงที่ปางพักได้ยังไง พวกแกทั้งหมดลากน้ำไหวเดินวนรอบอยู่โคลนต้นกระบากนั่นแหละไม่ได้เดินพ้นออกไปไหนเลยวนกันอยู่แค่นั้นแหละและก็วนกันอยู่นานแล้วด้วยจนกระทั่งฉันมาถึงที่นี่แล้วก็เห็นข้าทั้งหมดพากันตาเหลือกรองลั่นออกมาฮะนายนี่นายพูดจริงๆเหรอแพรนใหญ่หัวรอกในลําคอจริงหรือไม่จริงก็เห็นกันอยู่นี่แหละฉันตามพวกแกมาถึงฝั่งนี้ส่วนพวกแกนะก็เดินกันอยู่ที่ฝั่งโน้น ระยะเวลามันห่างกันเท่าไรแล้วนับตั้งแต่พวกแกมาตัดกิ่งหนามนนะ่ะความจริงนะ่ะควรจะกลับไปตั้งนานแล้วนายใหญ่เห็นนานผิดปกติฉันเองก็เห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลนนะักถึงได้ออกมาตามแล้วนายมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเห็นพวกเราอย่างนั้นเหรอเออเห็นเห็นยังไงอนะ่ะนายก็เห็นทั้งหกคนนี่แหละก้มหน้าก้มตาเดินลากกองหนกกามไหวโกรกากวนต้นไม้ใหญ่อยู่นั่นแหละ เอาไฟฉายสองก็แล้วตะโกนเรียกก็แล้วไม่มีใครได้ยินหรือรู้สึกตัวเลยกับมัวแต่เดินวนกันอยู่นั่นแหละพุทธังสังคังป้าพรานเท่าอุทานหน้าซีดเผือดเกิดเซยจันสีหน้าไม่ผิดอะไรก็ถูกผีหลอกส่วนขยินก็สางปลาอ้ปาปากค้างแล้วแล้วมันตะกี้น่ะไหยยิงอะไรเสียงมนลนโครมงมาเกือบถูกหัวเนละ ติงรุ๊กกุกกุกอยู่ริมห้วยฝั่งโน้น่ะงั้นก็มาดูกันให้ชัดสิว่ามันเป็นอะไรพร้อมกับบอกจอมพลานก้าวออกเดินไส่ทางอันล่าชันของตะลิงลงไปยังลำห้วยที่คั่นฝั่งไว้พวกนั้นทูติดหลังเขาย้อนกลับไปยังฝั่งตรงข้ามอีกครั้งโดยเร็วด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกเนือฝั่งห้วยด้านตรงข้าม ห่างจากโคนต้นกระบาดใหญ่ออกมาประมาณห้าหกเมตรร่างหนึ่งนอนหงายมือกลางตีนกลางอยู่ตรงนั้นเลือดกำลังทะลักปรีออกจากบาดแผลกลางสวงอกทางเข้าของกระสุนเกือบเท่าลูกมะนาวนั่นคือพิษสงของกระสุนหัวอ่อนห1 0ิเกรนของจุดหแมกนัมยิงช้างพอเข้ามามุงล้อมและแลเห็นได้ถนัดจากลำไฟฉายของระพินบุญคำก็ร้องลั่นออกมาว่า บวงข้างขยินกระสางตาขยับถอยห่างออกไปสองสามก้าอยางตกใจส่วนเกิดเสยจันยืนตะลึงตัวแข็งแน่ละ่ะมันคือสัตว์ชนิดหนึ่งลักษณะอื่นๆทั่วไปคือข้างเราดีๆนี่เองแต่ตัวใหญ่กว่าข้างธรรมดาหลายเท่ามีส่วนสัตว์เกิดเท่าขยินซึ่งจักว่าเป็นคนสูงใหญ่ขายาวเป็นปยหนาดำสนิทเป็นเงาละเลื่อมไปท้งตัว หน้าหน้าเกลียดหน้ากลัวนั้นหิยวย่นเหมือนคนแก่อัปปลักมีเขี้ยวขาวแหลมยาวพลูแพลมออกมานอกริมฝีปากดวงตากลมในเบ้าลึกบัดนี้เปิดค้างลืมพลงดำสนิทราวกับเอานินเข้าไปฝังไว้แต่ในยามที่ตายสนิทแล้วเช่นนี้ไม่ปรากฏว่ามันจะสะท้อนลำไฟฉายออกมาผิดกับขนาดที่มันยังนั่งขมึงถึงจ้องอยู่บนยอดต้นกระบากก่อนถูกปืน ไอ้นีเองไอชิบหายเล่นนะพวกโก้เขาให้แล้วบุญคำครางต่อมาขณะที่จ้องเขมิงพรานเท่าผู้เจนไพรอย่างแกสามารถเข้าใจเหตุการณ์ได้ในทันทีนั้นและบุญคำก็เงยหน้าจ้องเขาถามเร็วปรินไปยังไงมายังไงกันนี่นายมันอยู่ตรงไหนล่ะนายตอนที่นายสอยมันร่วงลงมาน่ะพรานใหญ่ชี้ขึ้นไปบนยอดต้นกระบาก อันปกใบแผ่ครึมเป็นเงาทมึนทึนอยู่เหนือศีรษะทุกคนในขณะนี้โนนไงมันนั่งตาวาวอยู่บนต้นระหว่างที่พวกแกทุกคนพากันเดินวนอยู่ใต้ต้นฉันน่ะสังหรณ์แต่แรกแล้วตอนที่เดินมาถึงฝั่งโนนได้ยินเสียงลากิ่งไม้ ก, กันอยู่กรากรากกูก็แล้วตะโกนเรียกก็แล้วไม่เห็นมีใครได้ยินเสียงของฉันหรือรู้สึกตัวกันสักคน เอาจะเดินวนเป็นวงกลมรอบโคลไม้นี่ท่าเดียวฉันน่ะเกือบจะหลวมตัววิ่งข้ามฝั่งมาซะแล้วแต่พอดียังคิดได้เอาไฟฉายสองตรวจก็เห็นไอ้ตัวเจ้าก ร, รมนี่แหละมันนั่งจ้องอยู่เหนือหัวพวกแกทุกคนครั้งแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงมารอกพยายามแกว่งไฟไล่มันอยู่ตั้งนานมันก็ไม่ยอมไปก็เลยต้องซัตูมเขาให้พอมันร่วงลงมา น, นอนแอ n แมงอยู่กับพื้นพวกแกทุกคนก็ได้สติรู้สึกตัวกันขึ้นมาได้ พวกนั้นสวดอะไรพึมอยู่ในลำคออาการเต็มไปได้วยความสยองพองขนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและเพิ่งจะมาได้รับทราบจากพรานใหญ่เดี๋ยวนี้แต่ถ้าบุญคำถึงกับสมบตุตด่าพ่อล่อแม่ครุม้มถมเถไปหมดจ้องมองดูซา้ของข้างใหญ่ลักษณะประหลาดที่นอนตายอยู่อย่างเขียดแค้นบุญแท้เชี่ยวที่นายดำ ม, มาทันและเห็นซะก่อนแล้วก็รู้เคล็ดแก้ไขได้ นี่ถ้านายไม่มาหรือมาช้ากว่านี้บุญคาก็ไอ้พวกนี้เนะ่คงเดินวนหลงอยู่ใต้ตนกระบากนี่เองแต่ยังมีแรงเดินกันตลอดทั้งคืนถ้าหมดแรงก็ลงนอนแผลคราวนี้ก็เสร็จกันทั้งหมดนายมาพบอีกทีคงนอนตัวแข็งตายกันหมดแล้วบุญคาประมาทไปหน่อยไม่คิดว่าไอ้ผีโบงข้างนี่มันนั่งอยู่บนยอดไม้แล้วก็เห็นระยะทางใกล้ๆนี่เอง ป่าก็ไม่ทึบหน้ากลัวนักพอเดินผ่านใต้ต้นที่มันดักอยู่เท่านั้นก็ตกอยู่ในอำนาจรัศมีสะกดของมันเลยหมอผีเกือบตายเพราะผีแท้เทียบนี่ถ้าบุญคำรู้ตัวสักก่อนคงไม่เสียท่ามันถึงอย่างนี้หรอกป่าแถบนี้เผอตัวไม่ได้เลยจริงๆทับพาดิมันแรงเหลือใจดูเอาเถอะเล่นเอาพรานผีอย่างไอค้คาเดินหลงเป็นบ้าไปเลย นี่แน่ว่าแล้แกก็ไปพลักเขาให้ที่ท้องพลุยใหญ่ของเจ้าสัตว์ประเภทข้างหรือลิงใหญ่ตัวนั้นดีนะที่นายไม่พูดพลาดตามพวกเราเข้ามาใต้ร่มกระบากนี่อีกคนตอนที่มองเห็นพวกเราเดินวนกันอยู่จันพูดเสียงสั่นยังไม่วายตื่นระหนกหมยงั้นก็พลอยเสร็จไปอีกคนเดินวนเป็นบ้าอยู่กับพวกเราทั้งหมดนี่โชคดีแท้ๆที่นายตามมาแก้ไขทัน นี่เราคงจะเดินวนกันอยู่ร่วมชั่วโมงแล้วมั้งตอนนั้นมันนึกอะไรไม่ออกไปหมดรู้สึกแต่ว่าเดินเท่าไหร่ก็ไม่พบทางเก่าซักทีเหนื่อยเต็มทนนีน่ทนายไม่บอกหรือไม่เห็นตัวมันถูกปืนน้อนแทอยู่นี่พวกเราก็คงไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางด้านแคมป์ภายหลังจากที่ระพินเดินตามรอยพวกนั้นหายไปในความมืดเชษฐาและทุกคนก็ไม่ได้เคลื่อนไหวทําอะไรอีกทั้งสิ้น แต่รวมกลุ่มรอคอยกันอยู่ที่กองไฟเงี่หูสดับรับฟังเสียงอยู่ด้วยจิตอันเป็นกังวลยังไงบอกไม่ถูกเวลายิ่งผ่านไปก็ยิ่งเพิ่มความกระสับกระส่ายในที่สุดดารินก็อดทนทนอยู่ไม่ได้แง่าสายฉันคิดว่าเธอควรจะตามผู้กองไปอีกคนหนึ่งนะหล่อนพร่งขึ้นองครักษพิเศษของหล่อนยิ้มน้อยๆพร้อมกระสายหน้าแช่มชาไปมา คำสั่งผู้กองให้แงซายอยู่เฝ้าแคมป์เป็นเพื่อนเจ้านายทุกคนครับถ้าแงซายตามผู้กองไปก็จะเป็นการขัดคำสั่งนะครับแต่บางขณะเหตุผลและความจําเป็นมันก็ต้องเหนือคําสั่งเหมือนกันนะเธอจะทําถื่นตรงยึดคําสั่งกของผู้กองโดยไม่คํานึงถึงสถานการณ์ไม่ได้นะพวกนั้นหายไปนานผิดปกติจนกระทั่งมืดสนิทบึงกาไฟฉายก็ไม่ได้ติดตัวไปเลยมันแสดงว่าพวกนั้นทุกคนจะต้องแน่ใจว่าจะกลับมาถึงแคมป์ก่อนมืด แล้วก็ไปไม่ไกลนักแต่ทาไมป่านนี้พวกเขายังไม่กลับนี่เป็นปัญหาใหญ่ผู้กองไปตามอีกคนนึงก็พลอยเงียบหายไปด้วยถ้าเธอไปกับผู้กองเธอจะได้ช่วยเขาได้มากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ทางแง่ายไปแล้วทางนี้เกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นความผิดก็ตกอยู่ที่แง่สายอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับนั่นประการนึ่คำตอบราบเรียบจากข้าวหน้าอันสงบ ไม่ได้แสดงอาการหวั่นไหวกังวลต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นอันผิดไปจากความรู้สึกของคณะนายจ้างทุกคนในยามนี้ส่วนประการที่สองขอนายหญิงและนายจ้างทุกคนอย่าได้ห่วงใยไปเลยครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนของเขาเหล่านั้นลงถ้าผู้กองไปตามเองแล้วเช่นนี้เขาจะต้องแก้ไขเอาคนของเขากลับมาได้โดยปลอดภัยไงทร า, ายเอาหัวเป็นประกันครับราชสกุลสาวเม้มริมฝีปาก ชยันก็ก้าวเข้ามาหยุดยืนหยุดตรงหน้าของร่างระหันนั้นนี่แกพอจะบอกได้ไหมว่าคนพวกนั้นซึ่งควรจะกลับมาได้แล้วนะทำไมถึงยังไม่กลับเงียบหายกันไปหมดอย่างเงีย้ยไงทายไม่ครับไม่ทราบครับนายทหารแต่ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันออกจะผิดปกติไปซะแล้วแต่ลงผู้กองออกตามเองเช่นนี้แ้วเดี๋ยวก็กลับมาได้หมดแล้วครับ จะมั่นใจเหรอแงาสายคนที่ไปตามคนเหล่านั้นชื่อระพินไพยวันนะครับคณะเจ้านายทุกคนบางทีจะลืมไปซะแล้วกระมังแล้วครับทุกคนงันไปกระเสียงพูดอันมีกลางวานลึกหนักแน่นและเต็มไปได้วยความหมายให้คิดนั้นเอาละแงสทรา ย, ายจะยังไงก็ตามเธอจะดื้อรั้นขัดคำสั่งของฉันทีเดียวเหรอถ้าฉันจะสั่งให้เธอตามผู้กองไปคนนึงเดี๋ยวนี้ นายญิงพูดยังเฉียบขาดแง่าสายก้มศีรษะลงถ้าเป็นคำสั่งของเจ้านายซึ่งหักล้างคำสั่งของผู้กองแง่าสายก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามเพียงแต่ขอให้เป็นคำสั่งที่แน่นอนลงไปเท่านั้นครับและใบหน้านั้นก็หันไปทางเชิดาพูดตลอดเวลายืนอัดซิก้าสงบนิ่งอยู่ด้วยใบหน้าอันเคร่งขรึมนายใหญ่ครับบตุตรครับจะให้แง่าสายออกติดตามผู้กองไปหรือไม่ครับ ภายหลังช่างใจวิบตาเดียวท่านหัวหน้าคณะก็สั่นสีสั่ไม่ต้องแงซายแกอยู่ที่นี่แหละอยู่ตามคำสั่งของผู้กองครับและเชษฐาก็หันไปพูดกับพักพวกทุกคนแง่ท า, ายพูดถูกแล้วล่ะเราไม่ควรมีกังวลหรือวุ่นวายอะไรกันให้มากนะักการใช้แงซายติดตามอีกคนนึงก็เหมือนกับว่าเราไม่วายวางใจไม่เชื่อมือรบพินไอเรื่องห่งนะเราห่วงแน่ แต่เราก็ต้องให้เกียรติและวางใจในฝีมือของเขาโดยการไม่ปฏิบัติอย่างใดออกไปให้เป็นการหักล้างคําสั่งเดิมของเขาด้วยอีกอย่างหนึง่งเราก็ไม่อาจจะรู้ได้อะไรจะเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งแง้ายผละไปซะอีกคนหนึ่งกระพินต้องมีเหตุผลอยู่ในคําสั่งของเขาและระหว่างสองคนหนีรู้อะไรกันดีอยู่แล้วพวกเราสิไม่รู้เพราะฉะนั้นคอยฟังข่าวเขาอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้น น้องสาวอึ้งภายในเต็มไปได้วยความร้อนรุ่มจนบอกไม่ถูกมาเรียเข้าใจความรู้สึกได้ดีฉูดเข้ามาควา้าแขนลากตัวออกไปห่างทุกคนแล้วกระซิบปลอบใจว่าน้อยอย่าสแสดงจุดอ่อนให้พี่ชายของเธอจับได้นะอย่าว่าแต่เธอเลยฉันก็เป็นห่วงไพรวันและพวกนั้นไม่น้อยไปกว่าเธอเหมือนกันถึงไงไงสายตามลงไปอีกคนนึงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกและขอให้มั่นใจสิ ว่าสิบแงาายก็ไม่เท่าหนึ่งระพินดารินฝืนยิ้มกร่อยๆรู้สึกตัวตามคำพูดของแม่เพื่อนสาวต่างผิวเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเมหลงป่าแนะ่ไม่มีปัญหาหลงป่าเหรอนักมนุษยวิทยาลืมตาโพล่ร้องออกมาเบาๆป่าโปรง่งอย่างนี้และคนอย่างพวกนั้นนะ่ะเลยหลงป่ามันจะเป็นไปได้ ย, ยังไง ฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่มันก็ต้องอยู่ในความหมายนี้แน่นอนล่ะสาเหตุมันเกิดจากการหลงก่อนส่วนจะมีอะไรเกิดขึ้นติดตามมันอีกก็สุดที่เราจะรู้ได้ไม่งั้นเราก็ควรจะแวววเสียงอะไรบ้างแนละ้วแต่นี่ไม่มีเลยเงียบเชียบกันไปหมดไม่ทันจะสิ้นเสียงของมาเรียที่กระซิบพูดกับดารินทุกคนก็สะดุ้งสุดตัวเสียงไรฟินแผสนั่นป่า กังวานอันกึกก้องสะเทือนไพรของมันไม่น่าจะดังห่างออกไปนักเอาเข้าแล้วสิชยันร้องลั่นอย่างลืมตัวพินเข้าคว้าไรเฟิลและทุกคนก็ไหวตัวพรืบพร้อมกันหมดอย่างใจใหายกระพินแน่เกิดอะไรขึ้นเชษถาพูดเร็วปรือแน่ละในภาวะเช่นนี้เสีงยงไรเฟิลที่แว่วกังวานมาให้ได้ยินมันเตือนสถานาการณ์ร้ายได้อย่างแจ่มชัดที่สุด แม้ว่าจะยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ว่าอะไรเกิดขึ้นทำนองไหนมีแต่เงาายเพียงคนเดียวที่ยืนสงบไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิน้นนอกจากดวงตาที่มองทอดฝาความมืดออกไปยังราวป่าเบื้องนอกและหูที่เปิดพร้อมเงี้ยสะดับสำเนียงใดๆที่อาจลอยมาให้จับได้อีกแต่ก็ไม่มีอะไรกระตุกกระตากตามมาอีกทั้งสิน้นไรเฟิล น, นัดนันคื้นสนันป่ายามวิกาล เพียงชั่วนัดเดียวสะท้อนไปทางเนินที่ทุกคนยืนอยู่ในขณะนี้จากนั้นก็จางเงียบหายไปอย่างลึกลับทิ้งแคมไว้ที่นี่แหละไปตามกันทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลยแง่สายก็นํำทางไปเร็วท่านหัวหน้าคณะร้องสั่งอย่างตัดสินใจเฉียบขาดเขาเองก็ไม่อาจอดทนอยู่ต่อไปได้อีกแล้วทั้งหมดปราดเข้าหาไรเฟิลและไฟฉายประจาตัวแง่สายก็ฉกจุดสามเจ็ดห้าแม็กนัมขึ้นมา พร้อมกับรัดผ้าคาดศีรษะให้แน่นกระชับชั่วไม่กี่พริบตานั้นทุกคนก็วิ่งลงมาจากเนินที่พักมาเป็นขบวนโดยตามหลังแงซายไปติดๆพอลงมาถึงไหล่ตะพักระหว่างที่จอมพเนจรกราดไฟกรวดหารอยเชษฐาก็กูขึ้นเพราะรู้สึกว่าเสียงปืนไม่น่าจะห่างออกไปนะักเมื่อเขากูขึ้นคนเดียวชายันกับดาริงก็ช่วยกันส่งเสียงขึ้นบ้างเป็นการเรียก มีเสียงกูตอบมาทางเนินต่ำด้านเหนือเชิดถาวิ่งลำหน้าออกไปก่อนในทันทีแต่แล้วก็ต้องหยุดชะงักเพราะอุ้งมืออันกำยำของแง่ทรายคว้าแขนเขาไว้สักก่อนพร้อมกับสั่นสีสักนายใหญ่ครับไม่ใช่ทางนั้นครับไอ้มีเสียงกูดังมาจากด้านนี้นี่นาะเช่ดถาร้องจริงด้วยเสียงกูตอบดังมาจากทางนี้ ดารินกระชยันบอกอย่างกระหืดกระหอบมาเป็นเสียงเดียวกันแต่เงยสายสันสีสะอยู่ตามเดิมนายครับในป่าเวลากลางคืนอย่า ก, กูเสียงสะท้อนอาจลอยมาหลอกตัวเราเองให้หลงผิดได้หรือมิฉะนั้นก็เป็นเสียงที่เกิดเลียนขึ้นตอบขึ้นอย่างลึกลับหาสาเหตุไม่ได้ถ้าตามเสียงไปจะหลงทันทีครับโปรดอย่าทเสียงใดๆขึ้นทั้งสิ้นนะครับ คอยระวังตัวและตามเงาทรายมาดีกว่าขาดคำเจ้าคนใช้พิเศษก็ตัดเข้าทางด่านด้านใต้อันเป็นด้านตรงข้ามกับที่เชษฐาและทุกคนได้ยินเสียงโวกโบก์ตอบมาแล้วอ้อมไหลเนินลงไปโดยเร็วทุกคนเงียบกริบระหนักได้อย่างดีที่สุดว่าในภาวะเช่นนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าตามเงาทรายไปอย่างเดียวไม่มีใครพูดอะไรกันอีกทั้งสิ้นในการครึ่งวิ่งครึ่งเดินกันอยู่อย่างเร่งร้อนนั้น ตสังเกตเห็นแง่ทายฉายไฟสองกราดอยู่ตามพื้นชั่วไม่กี่อึดใจก็ตัดดิงไปอย่างแน่ใจที่สุดโดยไม่มีข้อลังเลอีกเลยทั้งหมดถือไรเฟิลในลักษณะเตรียมพร้อมอยู่ในมือและช่วยกันกราดไฟไปยังสองฝั่งทางอย่างระวังต่อสถานการณ์ไม่ทันเหนื่อยต่างก็รุดกันลงมาตามทางอันลาดชันลงต่ำแล้วก็สังเกตเห็นแสงสว่างรางๆจากลักษณะของลาไฟฉายในความมืดทึบ ต่ลงไปต่อมาก็ได้ยินเสียงพูดกันแซดลงเลงไปหมดอยู่ในห้วยต่ำข้างล่างนั่นะครับไงา ย, ายชีมือบอกแล้วเร่งฝีเท้าขึ้นอีกคณะเจ้านายวิ่งตามกันลงมาเป็นพรวนยิ่งต่ำลงมาก็ยิ่งเห็นลำไฟฉายและเสียงพูดจาเหล่านั้นถนัดขึ้นอีกระพินเชิดถาตะโกนเรียกกึกรองออกไปในขณะที่ไต่ลงไปตามทางลาดนั้น ก็พันเห็นลำไฟที่เดินส่องอยู่กับพื้นประวัดใายกราดสวนมาทางด้านพวกเขาที่แล่นตรงลงไปพร้อมเสียงตะโกนตอบคุณชายเหรอครับผมเองเกิดอะไรขึ้นเสียงจอกแจกดังขึ้นมาจากกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่รวมอยู่ในเงาตะคุ่มทางฝั่งตรงข้ามยังไม่มีคำตอบจากระพินในขณะนั้นเพราะและเห็นแล้วว่าพรรคพวกที่ให้อยู่เฝ้าแคมป์ทั้งหมดกาลังลุยน้าข้ามลาห้วยมา ไฟฉายหลายดวงส่องจ้าสว่างสวัยไปหมดทางไฟเชืดฐานั้นเมื่อใกล้เข้ามาจนเกือบถึงตัวพร้อมกับสองไฟก็พบว่าพรานใหญ่และพวกพรานพื้นเมืองที่มาตัดน้นาหวายทั้งหมดกำลังยืนมุงอะไรกันอยู่ใต้ต้นไม้ครบท่วนไม่มีใครขาดหายไปเลยระพินพระจากวงนั้นก้าวเข้าไปรับหน้าคณะนายจ้างของเขาเสียงปืนเม่กี้นี่ใช่ไหม ที่ทำให้พวกคุณตกใจตามมาถึงนี่ใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณยิงอะไรพวกเราเป็นอะไรกันบ้างหรือเปล่าดารินเสียงสัน่นแต่ก็ใจชื้นขึ้นเมื่อเห็นทุกคนอยู่กันครบหน้าเรียบร้อยปลอดภัยดีทุกคนครับความจริงก็ไม่น่าจะต้องลำบากมาตามเลยพวกเรากำลังจะกลับไปเดี๋ยวนี้แหละคุณยังไม่ได้บอกเลยนะว่าคุณยิงอะไรจอมพรานอึกอักในลาค อ, อยันตัดสินใจไม่ถูก ครั้งแรกคิดว่าจะปิดฝ่ายนายจ้างซะกลบเกลื่อนไม่ให้ทราบว่ามันได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับคนของเขาเหล่านี้ก่อนที่เขาจะมาถึงแต่แล้วก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะปกปิดไว้เพราะถึงยังไงนายจ้างทุกคนก็ตามมาจนถึงที่แล้วพอดีกับที่บุญคํากับพวกนั้นร้องบอกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าโป่งข้างครับนายผีโป่งข้างพรานใหญ่ยิงผีโป่งข้างพวกเราเนะี่ยกำลังหลงป่าหาทางออกไม่ได้ มันนั่งสะกดอยู่บนยอดไม้พอดีพรานใหญ่ตามมาทันสอยมันร่วงลงมานอนแง่แก่อยู่นี่ครับผีป่งข้างอะไรกันมันเป็นยังไงฝ่ายนายจ้างที่เพิ่งจะมาถึงอุททานออกมาเป็นเสียงเดียวกันอย่างประหลาดใจและชั่วอึดใจนั่นเองทุกคนก็มองเห็นสิ่งที่พวกพรานพื้นเมืองเ อ, อ่ยถึงนอนเป็นซากจมกองเลือดอยู่ด้วยความตกใจระคนอัศจรรย์ใจเหลือที่จะกล่าวในลักษณะรูปร่างของมัน มันลิงใหญ่ใหญ่กว่าอุรังอูตังหรือกอริลลาซะอีกมาเรียรองลั่นเมื่อมองเห็นได้ถนัดสุนเชษขาครางออกมาข้างแนละ้วรูปร่างเหมือนข้างทุกอย่างเอ๊ะแต่ทำไมตัวมันถึงใหญ่อย่างเงี้ยทั้งหมดเข้ามามุงล้อมดูอย่างตื่นเต้นชงุนงงงงพูดกันแซดซักถามกันสับสนไปหมดเพราะยังไม่สามารถเข้าใจอะไรนะักตลอดเวลาที่บุญคําทําหน้าที่อธิบายให้ฝ่ายนายจ้างฟัง และรับพินยืนนิ่งอยู่นั้นในสายจ้องไปที่ซากนั้นอย่างพินิษแล้วเงยขึ้นมองหน้าจอมพรานแวบหนึง่งจากนั้นก็ฉายไฟในมือส่องขึ้นไปยังลำต้นอันสูงใหญ่ของกระบากที่แผ่เงาคลึมอยู่เหนือศีรษะทุกคนในขณะนี้โดยไม่ปริปากคาใดทั้งสิน้นกว่าที่คณะนายจ้างซึ่งทําหน้าที่ซักไซพวกพรานพื้นเมืองจะรู้เรื่องได้ตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเวลาพักใหญ่ เป็นความจริงเรอพินเชษฐาหันขวับไปถามจอมพรานโดยเร็วภายหลังจากสอบซักพวกนั้นด้วยความพิสวงใจขีดสึกรพินไพรวันรู้สึกลำบากใจไม่ใช่น้อยในการที่จะยืนยันอะไรออกมาสำหรับสิ่งที่พวกนั้นเล่าให้คณะเจ้านายฟังผมก็ยั ง, งงงอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้แหละครับเขาตอบไม่เต็มเสียงนะักพร้อมกับถอนใจเบา แต่เท่าที่เห็นขนาดที่ผมถึงฝั่งโนนเจ้าพวกนี้เดินเป็นบ้าเป็นหลังไม่รู้สึกตัวกันจริงๆจนกระทั่งผมยิงไอ้ตัวเวนน์น่หล่นลงมาแล้วนั่นแหละครับถึงได้เป็นสติสตังรู้สึกตัวกันขึ้นมาได้และคุณว่ามันเป็นตัวอะไรเนี่ยรูปร่างหน้าตาน่ากลัวเหลือเกินชยันถามผมก็ว่ามันเป็นสัตว์ประเภทลิงลึกข้างขนาดใหญ่นั่นแหละครับแต่บุญคาว่ามันเป็นโป่งข้างอันหมายถึงข้างผีชนิดนึง ตามความเชื่อของพวกพราญพื้นเมืองผมเองในชีวิตก็ยังไม่เคยเห็นลิงดึกข้างชนิดใดตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนผีข้างหรือโป่งข้าง น, นมันเป็นยังไงดารินง ง, งถามอย่างไม่เดียงสาจ้องหน้าเขาขม็งแล้วพิงยิ้มฝึดฝุดก็อย่างที่ตาบุญคาอธิบายให้คุณหญิงฟังเมตั ก, กี้นะครับพวกพรานป่านะก็ถือกันเพราะเจ้าสัตว์ชนิดนี้นะมันครึ่งปีศาจครึ่งสัตว์ มีอำนาจในการสะกดคนหรือสัตว์ทั่วไปให้หลงป่าและหลับไหลไม่ได้สติแล้วก็จะมาสูบเลือดในกายจนคนหรือสัตว์น่ะตายก็ได้ยินได้ฟังเล่ากันมาแบบนี้นานนมแล้วครับในชีวิตการของผมน่ะไม่เคยพบตัวจริงของมันสักทีวิจัยไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรแน่ยิงมันร่วงเค้กเย่ลงมาจากต้นไม้เห็นเห็นอยู่นี่ผมก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นข้างหรือลิงธรรมดานี่เองเพียงแต่หน้าตาน่ากลัวแปลกไป แล้วก็ตัวใหญ่หน่อยเท่านั้นผมไม่เชื่อมาก่อนเหมือนกันว่ามันจะมีอำนาจในการสะกดคนและลงมาสูบเลือดตะบุญคำยืนยันนะครับว่ามันเป็นปูงข้าขยินดุสางตาก็เชื่อเช่นนั้นจะถามดูแล้วว่าเคยเห็นตัวจริงมาก่อนหรือเปล่าทั้งสามคนนี่บอกว่าไม่เคยเห็นเพียงแต่เข้าใจเอาเองเท่านั้นแปลว่าคุณเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจ ไม่อาจยืนยันได้อย่างที่บุญคําว่าครับก็ไหนคุณบอกว่าคุณเห็นพวกนี้เดินวนรอบต้นกระบากกันอยนู่จะเรียกจะส่องไฟฉายยังไงก็ไม่รู้สึกตัวกันเลยไงครับผมเห็นเช่นนั้นจริงๆครับเียังอดแปลงใจไม่ได้อยู่จนเดี๋ยวนี้แหละถ้าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไอสัตว์ชนิดนี้มาก่อนคุณจะแก้ไขช่วยพวกนี้ให้คืนสติรู้สึกตัวขึ้นมาได้ยังไง เพราะคยิงมันร่วงลงมาตายพวกนี้ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาได้ไม่ใช่เหรอชยันซักอย่างประหลาดใจผานใหญ่เป่าลมออกมาจากปากเบาๆสีหน้ายุ่งยากยังไงพิกลกับพริบตาปริบๆมองดูซาดข้างใหญ่ตัวนั้นผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับสิ่งผิดปกติครั้งแรกที่ผมเห็นจากการเดินวนเป็นบ้าเป็นหลังของพวกนี้ทาให้ผมเอกใจและไม่กล้าที่จะพูดพาดข้ามฟังมา ผมก็เลยฉายไฟส่องกลาดไปรอบๆ บ, บ, บริเวณแล้วก็เลยเห็นมันนั่งตาวาวอยู่อาจจะเป็นพระสัญชาติยานระแวงไทยของผมก็ได้ที่สั่งการให้ผมยิงมันร่วงลงมาแล้วก็ปรากฏว่าพอมันตกลงมาตายพวกนี้ก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้บุญคําบอกผมเหมือนกันครับว่าถ้าผมหลวมตัวข้ามฟังเข้ามาอยู่ในรัศมีของร่มกระบากนี่ผมก็จะพลอยเดินวนอยู่ด้วยอีกคนนึง คณะนายจ้างทั้งหมดมองหน้ากันเองอยู่ไปมาด้วยความรู้สึกอันบอกไม่ถูกนี่หมายความว่าไอ้ตัวที่บุญคำเรียกว่าโป่งข้างนี่เป็นตัวที่ทำให้เจ้าพวกนี้ทั้งหมดมาเดินวนอยู่โคลนต้นกระบากเป็นนานสอนนานหาทางกลับไม่ถูกจนกระทั่งคุณมาตามแล้วก็ยิงมันลงมากองนี่อยู่อยางนั้นเหรอเชิถาถามซ้ำอย่างไม่แน่ใจอะไรซิอีกล่ะนาย ก็ไอตัวนะรกนี่แหละกับพรานใหญ่ไม่มาตามบ้านนี้พวกบุญคําก็ยังงมบ้ากันอยู่ตรงนี้เองไปไหนไม่พ้นหรอกบุญคนะํานักเผือตัวจริงๆไม่นึกมาก่อนว่าบ่าที่แลตึ้นตื้นโปร ง, ปรงและอยู่ใกล้ที่เราจะพักเพียงแค่นี้จะเจอดีเข้าถึงเพียงนี้พรานใหญ่รู้คลิปไม่ยอมเข้ามาในรัศมีสะกดของมันแล้วก็เอาปืนส่องเข้าให้ถึงได้รู้สติกันขึ้นมานี่ชื่อท่านาย มันสะกดได้จริงๆไม่งั้นพวกบุญคำตั้งหกคนจะหลงพร้อมกันหมดทีเดียวเละแปลกแปลกจริงๆดารินครางแผ่วเบาสันส่นศรษะไปมาดูซากมันนี่มันก็สัตว์ประเภทลิงข้างธรรมดานี่เองเจอลูกปืนเข้าให้ก็ร่วงไม่เป็นท่าหลอนสุดตัวลงตรวจดู บ, บาดแผลรอยลูกปืนเข้าอย่างใกล้ชิด แล้วเงยหน้ามองนักโบราณชีวศาสตร์สหายต่างผิวซึ่งบัดนี้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้โดยตลอดจากการแปลความของชัยยันเธอคิดยังไงเม่จากสิ่งแปลกๆที่รับพินบอกรวมทั้งคำบอกเล่าของบุญคำมาเรียเบิกตาโ ต, โ, ตโครงสีษะชะ้ามันเหนือความรู้สึกของฉันจริงๆน้นนอยแต่เท่าที่พอจะรู้มาบ้างนั้นน่ัตามัธรรมดาบางชนิด มีอำนาจในการสะกดอยู่ในตัวของมันเองเหมือนกันอย่างเช่นแมงมุมบางพันถ้ามันขึ้นไปเกาะอยู่บนพื้นเหนือศีรษะของคนที่กำลังนอนอยู่รัศมีตรงเก้าสิบองศาคนคนนั้นจะรู้สึกอ่อนเปลี่ยง่วงงงทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะจนกว่ามันจะเคลื่อนย้ายผิดองศาไปอำนาจสะกดของเจ้าข้างใหญ่ตัวนี้อาจจะอยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกันนี่แหละกระมังหล่อนยักไหล หัวเราะออกมาเสียงปรัปๆแต่ฉันดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นสัตว์ประเภทดูดเลือดคนหรือสัตว์เลยนะถ้ากระโจนเข้าใส่หัดคอหรือฉีก อ, อกเราซึ่งซึ่งหน้ามันก็จะทำได้โดยไม่ยากนะักด้วยจากรูปร่างขนาดของมันซึ่งหน้าตัวกว่ากอริลลาซ้ำไปยังน้อยที่สุดพลักกำลังของมันก็จะต้องมากกว่ามนุษย์ไม่น้อยกว่าสิบเท่าจากรูปร่างส่วนสัตว์ขนาดนี้ ก็น่าคิดนะน่าคิดเชษถาว่าจ้องเขมิงอย่างพิจารณาอีกครั้งมันจะมีอำนาจสะกดได้จริงหรือไม่ก็ตามแต่ถ้ามันคิดจะเล่นงานเราซึ่งซึ่งหน้าเมื่อไรมันก็จะทำได้อย่างสบายสำหรับไอ้ธมูร์นี่แล้วอดีต ท, ท่านทูตทหารบุกหัวหน้าคณะก็แลไปทางพรานใหญ่เหมือนจะสำรวจสีหน้าอ่านความรู้สึกภายในบางสิ่งบางอย่างจากความคุ้นเคยทาให้เขาอ่านออก ว่ารพินมีความไม่ปลอดโปร่งใจแฝงซ่อนอยู่ยังไงพี่กนแงาซายนั้นเล่าก็ยืนสงบเงียบขรึมอยู่ตามลำพังคนเดียวเดิมไม่ได้เอ่ยคำใดกับใครทั้งสิ้นในระหว่างที่ทุกคนพูดกันจอกแจกเพียงแต่ใช้ไฟฉายในมือส่องกราดไปรอบๆ ร, ราวป่าทั้งสูงและต่ำจอมพ่านบัตรนี้มองละไปตามจำนวนานายจ้างของเขาทุกคนตามลาดับและมาสุดสิ้นที่แงาซายคนสุดท้าย แล้วเอ่ยออกมาเบาๆว่านี่พวกเรามากันหมดทุกคนเลยหรอครับไม่มีใครอยู่ที่แคมป์เลยสักคนเดียวใช่ไหมครับนี่ใช่ผมสั่งให้มากันทั้งหมดนี่แหละครั้งแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะตามมาหรอกแต่พอได้ยินเสียงปืนก็เลยทนใจเย็นอยู่ไม่ได้โชคดีอยู่บ้างนะที่คุณทิ้งแง่ทรายไว้ให้เป็นเพื่อนได้อาศัยนำทางมาาล้ำพังพวกผมนะป่านนี้คงตามไปหลงทางไหนก็ไม่รู้ทั้งๆที่ความจริงระยะมันก็ไม่ไกลนัก ยังน้อยที่สุดในความรู้สึกของรบพินเชี่าก็ทำได้ถูกต้องและดีที่สุดแล้วคือถ้าจะตัดสินใจมาก็ควรจะมาด้วยกันทั้งหมดโดยมีแง่ทายเป็นผู้นำทางอย่างเช่นที่เป็นอยู่นี้และถ้าจะเยือกเย็นพอที่จะสงบรอฟังข่าวอยู่ที่แคมป์ก็ควรจะอยู่รวมกลุ่มกันให้ครบหน้าเช่นกันไม่ควรอย่างยิ่งที่จะแยกกันเป็นจานวนปลีกย่อยออกไปอีกเอาล่ะครับไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรหรอกครับ เราเรีบกลับกันดีกว่าจะได้จัดการเรื่องที่พักของเราให้เรียบร้อยไปท่านใหญ่บอกกับกลุ่มนายจ้างของเขาแล้วสั่งให้พวกนั้นช่วยกันขนหนามหวายที่ตัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเหล่านั้นรีบมุ่งหน้ากลับแคมป์โดยทิ้งซากของเจ้าข้างใหญ่ให้นอนตายอยู่ที่เดิมของมันโดยไม่เสียเวลาไปใส่ใจอะไรกับมันอีกทั้งหมด12คนเดินจับหมู่กันเป็นขบวนข้ามมาฝั่งเดิมแล้วไปทางขึ้น เพื่อ ก, กลับทางเก่าหกคนของพรานพื้นเมืองร่วมด้วยแง่ทายอีกแรงหนึ่งช่วยกันลากกองน้ำหวายเหล่านั้นล่วงหน้าไปก่อนโดยฝ่ายนายจ้างเดินคุมอยู่เบื้องหลังระพินทิ้งท้ายห่างอยู่ทางเบื้องหลังเชิดถาก็้ถวงฝีเท้าคอยจนลงมาเดินเคียงกันพวกกองรูปการมันไม่ค่อยจะปลอดโปร่งนักหรือไงเชิฐากระซิบทําไมเลยครับ ก็ปัญหาเฉพาะหน้าของเราในขณะนี้ไงได้เตรียมรับมือป้องกันเจ้าเทโรแดทิลอยที่อาจแห่กันมาเล่นงานคืนนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันอาจมีปัญหาแทรกซ้อนที่น่าคิดกว่านั้นเชลแล้วคุณก็คิดเว้นแต่จะไม่พูดเจ้าธามูนใหญ่ชนิดนั้นใช่ไหมครับใครจะบอกได้ละ่ะว่าถิ่นนี้เป็นถิ่นเป็นดงของมันหรือเปล่ามีอยู่เป็นจํานวนสักกี่ตัวผมน่าไม่กลัวเรื่องอํานาจสะกดของมันหรอก แต่ออกจะไม่สบายใจยังไงบอกไม่ถูกนะเกี่ยวกับขนาดรูปร่างของมันลิงน่ะเป็นสัตว์มีสมองและฉลาดยิ่งถ้าเป็นขนาดใหญ่ยังไอตัวที่คุณยิงไว้นั่นและรวมกลุ่มอยู่กันเป็นฝูงหรือกองทัพเราลำบากแน่อาจจะลำบากกว่าทุกครั้งที่แล้วมาก็ได้นะผมก็ภาวนาอยู่ละครับนี่ว่าขอให้มีเพียงไอตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นจอมพรานบอกนายจ้างเขาด้วยเสียงเบาที่สุดทั้งคณะ กลับมาถึงบริเวณที่ตั้งแคมป์ภายในเวลาอันไม่นานนักพวกนั้นช่วยกันลากกองน้ำที่ขนกันมาล่วงหน้าขึ้นไปก่อนบนไหล่เนินกลุ่มนายจ้างทั้งสี่และพรานใหญ่คงตามมาเบื้องหลังเช่นนั้นแต่แล้วทันทีนั้นเองทั้งห้าคนก็สะดุง้งเพราะอยู่ไม่อยู่ก็ได้ยินเสียงพวกพรานพื้นเมืองที่ลากกิ่งน้ำขึ้นไปถึงปางพักก่อนร้องกันเอะอะโวยวายแท่ไม่เป็นภาษาเฮ้ยนั่นอะไรอีกละ่ะชายันตะโกนถามอย่างขวัญหาย เงาของคนสองคนวิ่งสวนลงมาดูเหมือนจะเป็นบุญคํากับจันทร์ทั้งคู่กระโดดโลดเต้นโบกมือวุ่นไปหมดพร้อมกับตะโกนร้องเร่งมานายขึ้นมาเร็วๆก็เรื่องใหญ่แล้วสังหอนรายที่กล่นอยู่ในความรู้สึกมาก่อนแล้วของระพินกับเชิดทาทําทให้ทั้งสองวิ่งปราดขึ้นไปโดยเร็วดารินชัยยันและมาเรียก็กวดตามขึ้นมาติดๆไม่จําเป็นจะต้องซักถามข้อความ ภาพของบริเวณแคมที่ปรากฏอยู่กลางสายตาขณะ น, นี้บอกถึงสิ่งวิกลวิการที่อุบัติขึ้นได้อย่างดีที่สุดถ้ามาทั้งหมดยืนตรึงตัวเองอยู่กับที่คิดอะไรทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะคงมีแต่พรานพื้นเมืองเท่านั้นที่พากันเอะอะโวยวายวิ่งวุ่นอยู่เช่นนั้นไฟกองใหญ่ที่ก่อไวย้ยังลุกโชนช่วงเป็นปกติดีอยู่ส่องแสงให้เห็นอะไรต่ออะไรได้รางๆตลอดบริเวณ กระ่อมพักที่เตรียมก่อโครงมุงหลังคาไว้เพื่อการรอเอานามมาสระก็คงเรียบร้อยดีทุกประกาศไม่มีอะไรขยับขยื่นเคลื่อนไหวไปจากเดิมเลยแต่หีพอสัมภาระอันเป็นปัจจัยสำคัญในการเดินป่าของคณะทั้งหมดที่ตั้งกองรวมกลุ่มกันไว้ทางหนึ่งรวมทั้งปืนยาวทุกกระบอกของพวกพรานพื้นเมืองที่วางรวมกันไว้ก่อนจะไปตัดหนามไหวอันตรทานไปหมด อย่างปราดเสจากร่องรอยมันสูญหายไปสิน้นแม้แต่คานไม้สำหรับหาบหามหรือของปรกย่อยเล็กน้อยที่สุดเช่นมีดสักเล่มหรือเศษเชือกซักเส้นหนึ่งรากวว่าสิ่งของทุกชิ้นเหล่านั้นเกิดงอกขาขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเองและเดินพาตัวเรนหายไปหมดในระหว่างที่มนุษย์ทั้งสิบสองชีวิตลัทิ้งแคมไปไมกอดมาเรียร้องออกมา าลกส่วนดารินนั้นแทบช็อกมีอาการคล้ายจะเป็นลมถึงกับสุดตัวลงนั่งอย่างหมดเรี่ยวแรงกับพื้นเชษดฐาชัยันยืนขยี้ตาแรงๆแล้วเบอร์ขึ้นจ้องเหมือนจะให้แน่ใจที่สุดว่าตาไม่ฝาดหลอกตัวเองไปไงท า, ายนั้นแม้จะไม่มีปฏิกิริยาเช่นไรปรากฏเด่นชัดใบตาและสีหน้าก็บอกได้ดีถึงความกรกตกใจขีดสุด ก็ซ า, าทุกส่วนดูเหมือนจะยึดนิ่งให้แข็งท้างอยู่เช่นนั้นเราก็ถูกสาบให้เป็นหินไปชั่วขณะรพินไทวันบอกกับตัวเองในฉับพลันนั้นว่านี่คือวิกฤตการณ์สุดยอดของชีวิตแห่งความเป็นความตายของผู้ร่วมคณะทุกคนยิ่งกว่าการเผชิญหน้ากับมหารตะภัยใดๆทั้งสิ้นที่ผ่านมาแล้วมันผิดวิกและอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายขีดสุดยิ่งกว่าทุกครั้ง จากพฤติการลึกลับที่ปรากฏให้เห็นอยู่นี้เขายืนนิ่งอยู่กับที่พยายามนับหนึ่งไปจนถึงสิบอยู่หลายเที่ยวเพื่อจะให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ฝันไปตาคมกริบกว่าสำรวจไปรอบๆตัวตั้งสติพร้อมระหว่างนี้ความเงียบขนาดเข็มตกได้ยินย่างเข้ามาปกคลุมคงได้ยินแต่เสียงไฟที่ลุกฮืออยู่ในกองเท่านั้น เสียงร้องโวยวายของพรานพื้นเมืองก็ดูเหมือนจะพลอยสงบนิ่งเงียบงันไปด้วยราวกับจะนัดกันไว้ขณะจิตต่อมาพรานใหญ่ก็เริ่มเคลื่อนไหวช้าช้าใช้ไฟฉายส่องตรวจอย่างละเอียดทีท่วนที่สุดไปยังบริเวณที่กองสัมภาระเคยตั้งวางไว้ซึ่งขณะนี้ว่างเปล่าคงเหลือแต่ผ้าใบที่ปูพื้นภายในกระทร่อมและหลังคาผ้าพลาสติกที่ขึงกั้นอยู่เบื้องบนเท่านั้น ที่พอจะเหลืออยู่ในรูปรอยที่จัดไว้อย่างเดิมโครงกระท่อมใหญ่ที่ปลูกสร้างไว้กับกองไฟสองกองเท่านั้นที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเฉถากับชายันเข้ามาหยุดยืนเงียบๆอยู่ข้างๆเขานายจ้างทั้งสองคงจะพูดอะไรไม่ออกในขณะนี้ได้แต่กรอกหน้าอยู่ไปมาแล้วมาเรียก็ฉุดแขนดารินพูดแทบจะไม่มีกาลังทรงกายอยู่ได้เพราะความตกใจกลับเข้ามารวมกลุ่มสมทบ ไพยวันมันมันมันหมายความว่ายังไงกันนี่แม่มสาวละล่ำละลักขึ้นทรานใหญ่หัวร้อในลำคอกระแทกเสียงอย่างหมุดหงิดก็หมายความอย่างที่เห็นอยู่นี่นะสินอกจากผ้าใบกับผ้าพลาสติกที่ทำกระท่อมนี่แล้วนี่เราไม่เหลืออะไรเลยสักอย่างเดียวปืนกระสุนวัตถุระเบิดปัดใจจัยในการดำารงชีพแม้กระทั่งเครื่องเวชภัณฑ์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทิ้งไว้ที่นี่หายไปหมดแล้วนักมนุษยวิทยาสาวพูดเสียงเครือเหมือนจะร้องไหง้ใช่ไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่สายเชือกสักเส้นเดียวระพินพูดเหมือนจะกล่าวกับตนเองยกแขนขึ้นป้ายเช็ดเหงื่อบนหน้าผากระพินท่านหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบแห้ง เป็นความผิดของผมเองที่ขัดคำสั่งของคุณก่อนไปตามพวกนั้นคุณก็กำชับให้เราอยู่เฝ้าแคมป์ทางนี้แต่พวกเราตามคุณไปทั้งหมดเพราะเสียงปืนความจริงแง้สายก็ทวงไว้แล้วนะแต่ผมไม่เชื่อเองไม่ได้เฉลียวคิดจอมพรานฝืนยิ้มเกลียเกลียบแต่ผมว่าคุณชายตัดสินใจถูกแล้วล่ะครับหรือมิฉนั้นก็ยังโชคดีอยู่ที่มีเหตุการณ์มาดนใจให้ออกจากที่นี่ไปตามผม และไปกันทั้งหมดทุกคนโดยไม่เหลือใครอยู่เลยถ้ายังอยู่กันที่นี่ไม่ทราบว่าหนเที่ยวขากลับผมจะได้พบเห็นคุณชายกับพวกอีกหรือไม่คุณหมายความว่าไม่ต้องสงสัยหรอกครับโปรดดูนี่สิครับพร้อมกับกล่าวการใหญ่ส่องไฟฉายลงไปตามพื้นให้เจ้านายของเขาทุกคนเห็นบริเวณพื้นที่ปัดกวาดไว้เกลี้ยงกล่าวผสมควร เพื่อสำหรับเป็นที่พักนั้นปรากฏกลาดเกลื่อนไปด้วยรอยตีนขนาดใหญ่เยียบย่ำไว้สับสนเปรอะไปหมดเป็นรอยตีนที่ดูผัดผาดว่าน่าจะเป็นตีนมนุษย์แต่มันก็ไม่ใช่แต่ละรอยมีส่วนยาวเกือบหนึ่งฟุตและกว้างร่วงหกนิ้วทรงน้ำหนักตัวอยู่บนฝ่าตีนทั้งสองรอยตีนเหล่านั้นปรากฏออกมาจากป่ารอบด้านไปหมดยกขบวนเข้ามาในบริเวณปางพัก ซึ่งขณะนั้นไม่มีฝ่ายมนุษย์เฝ้าอยู่เลยแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องกางขาต่อไปสัมภาระสิ่งของทั้งหมดที่วางกองกันไว้ถูกขนย้ายเคลื่อนหายไปโดยเจ้าของรอยตีนพวกนี้นี่เองทุกคนก้มลงตรวจรอยแล้วรู้สึกลำคอแห้งผากกันไปหมดช้ยันกระซิบออกมาแทบไม่มีเสียงไอ้ธโมนชนิดเดียว ก, กันกับที่คุณสอยร่วงมาจากต้นกระบากตรงห้วยนั่นใช่ม มันละครับในที่ออกลัดมานี่คุณชายยังไปเปย์อยู่กับผมเลยว่าถ้ามันมีอยู่แค่ตัวเดียวก็ดีไปแต่ถ้ารวมกลุ่มกันอยู่เป็นฝูงเขาชีมือไปอยังรอยตีนอันย่าสับสนเหล่านั้นเสียงขาบหายไปในลำคอและทิ้งคำพูดให้ด้วนลงเพียงแค่นั้นมันช่วระยะเวลาเพียงไม่เกินชั่วโมงเท่านั้นนะระพินที่ผมพลักออกไปตามฝ่ายคุณครับมันก็นานเกินพอเอีก ที่พวกมันจะยกขยงเข้ามาขงโมยของเราที่แคมป์นี่ในกรณีที่มันจ้องรอคอยจังหวะอยู่แล้วผมสงสัยอยู่นี่ว่าถ้าบังเอิญคุณชายกับทุกคนทางนี้ไม่ออกจากแคมป์และมันบุกเข้ามาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นจากรอยตีนที่เห็นอยู่นี่ไม่น้อยกว่า20ตัวขนาดใหญ่ทั้งนั้นปืนหากระบอกของพวกคุณชายรับไม่อยู่แน่อย่างเก่งก็ยิงกันได้เพียงแค่คนละนัดสองนัดเท่านั้น และต่อจากนั้นมันก็จะถึงตัวเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกไงครับว่าโชคดีที่สุดแล้วที่คุณชายตัดสินใจไปตามฝ่ายของผมอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังมีชีวิตอยู่รอบรวมกลุ่มกันได้ครบทั้งสิบสองชีวิตแม้อุปกรณ์ยังชีพส่วนใหญ่ทั้งหมดจะถูกมันขโมยไปก็ตามเชยดทากัดริมฝีปากแน่นคนอื่นๆก็อยู่ในสภาพมึนงงประหลาดใจต่อเหตุการณ์จนคิดอะไรไม่ออกไปหมด พวกพานพื้นเมืองระงับความตรหนกอกสั่นวิ่งบนกันเป็นสิงคลีลงได้แล้วต่างช่วยกันออกตรวจร่องรอยไปรอบๆแคมป์พร้อมกับพูดกันแซกส่สางปาเดินหน้าแห้งเข้ามาพูดอะไรอ่อยๆกันในแหม่มของมันไม่ใช่ยันถามว่าไงไอขี้ลิงของคุณมันว่าอะไรมาเรียก็บอกว่าส่างปาบอกว่าไอพวกนั้นน่ะขโมยของไปทุกอย่างแม้แต่บ้องขังชาของมัน ไอ้กุดถังยังอื่นอนะไม่เสียดายสือเสียดายบ้อง ก, กันชามันไม่ขโมยตับเองไปด้วยนะดีเท่าไรแล้วบุญคำซึ่งอยู่ใกล้ๆกล้สะบดออกมาอย่างหุดหงิดดารินดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่พูดอะไรไม่ถูกในขณะนี้หล้วยืนตัวสั่นเทารู้อนาคตได้ในทันทีว่าความเลวร้ายมันจะอุบัติขึ้นสักเท่าใดปัจจัยในการดารงชีพอื่นใด น, นั้นก็เว้นซะเถอะ แตปืนเครื่องกระสุนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องเวชภัณฑ์ของหล่อนที่ถูกขโมยหายไปด้วยนั้นเป็นการชี้ชะตาอันแจ้งที่สุดจะรอดหรือไม่รอดจะอยู่กันไปได้นานสักปานใดก็โดยปัจจัยสำคัญสองสิ่งนี้เท่านั้นทุกคนใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงที่สุดนี่ไครวัตสังเกตอะไรไหมมาเรียพูด มันเข้ามาเคลื่อนย้ายหรือขโมยข้าวของพวกเราไปอย่างมีระเบียบที่สุดไม่ได้มีร่องรอยว่าหรือคน้นหรือฉีกทิ้งหีบห่อให้เรียราชตกลน่นเหมือนวิสัยสัตว์ทั่วไปเลยนะแต่พากันยกขบวนเข้ามาอย่างมีระเบียบเรียบร้อยพอมาถึงก็ขนลำเลียงสัมภาระของเราไปแต่ละหอ่อแต่ละกองทีเดียวแล้วก็เก็บเอาไปจนเกลี้ยงไม่มีรอยว่าจะทำลายของสิ่งใดด้วยนอกจากขนไปเฉยๆแบบขโมย ที่น่าแปลกที่สุดคือมันไม่ทําลายแต่ต้องกระท่อมที่เราสร้างไว้เตรียมจะพักนอนคืนนี้ไม่ไปยุ่งกับกองฟืนหรือกองไฟอะไรทั้งสิ้นเข้ามาเอาแต่ของไปอย่างเดียวเหมือนกับอาการกระทำของคนไม่มีผิดทุกคนเห็นด้วยกับข้อสังเกตของมาเรียมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจไม่น้อยทีเดียวโดยพฤติการที่เห็นว่าอย่างนี้ระหว่างที่ระพิ น, นิงคิดชัยยันก็เอ่ยว่า จริงนะน่าแปลกเหลือเกินความคิดหรืมันสมองแบบนี้ไม่น่าจะมีในสัตว์เดรัจฉานนี่แปลว่ามันมีแผนการอยู่เรียบร้อยแล้วส่สิที่จะขมโมยของเราไปปัญหาก็คือมันขมโมยของเราไปเพื่ออะไรเพื่อแก้แค้นที่เรายิงพวกมันตายไปตัวหนึ่งละกละันมันน่าจะรู้ดีว่าของเหล่านี้จําเป็นในการยังชีพของพวกเราก็เลยขมโมยยึดไปซะก่อนเป็นการตัดกําลัง ให้เราหายยะนะแล้วขั้นต่อไปถ้าทายไม่ผิดมันก็จะบุกเขาเล่นงานซึ่งซึ่งหน้าดารินเพิ่งจะปริปากออกมาได้แต่พี่ชายผู้รอบคอบสันศีสักเรายังทายอะไรไม่ถูกทั้งสิ้นนะแต่ที่รู้แน่แ่ก็คือเส้นตายมันขีดรอบตัวเราอีกแล้วจากพฤติการที่เห็นอยู่นี่มันอาจไม่มีแผนอะไรเลยก็ได้นอกจากธรรมชาติสันดานของสัตว์ประเภทลิงอย่างมัน พอเห็นเราทิ้งแคมป์ไม่อยู่ก็ดอดมาขโมยเอาของไปเพราะความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยู่ไม่สุขอะไรก็ช่างเลยค่ะพี่ใายแต่แน่แน่ก็คือพวกเราจะดํารงชีพกันอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานถ้าไม่ได้ปัจจัยสําคัญเหล่านั้นคืนมามันเอาหัวใจในการยังชีพของเราไปทีเดียวนะคะไหนจะกระสุนไหนจะเครื่องเวชภัณฑ์ต่อให้ไม่ต้องมารุกรานโจมตีอะไรเราอีก แหนการเดินทางทั้งหมดของเราก็ต้องชะ ง, งักลงแล้วไปกันไม่รอดหรอกอย่าเ พ, พิ่งพิจตวิจารถึงอนาคตที่ไกลออกไปก่อนเลยครับว่ากันถึงเดี๋ยวนี้ก่อนดีกว่าจอมพลขับขึ้นเสียงเครียดๆภายหลังจากยืนสงบนิ่งอยู่หลายอึดใจสิ่งที่เราจะทำได้ในขณะนี้ก็คือหาทางป้องกันตัวเองให้รอดพ้นคืนนี้ไปก่อนถ้ามันหวนกลับมาอีกในตอนนี้เราจะตายกันหมดทันที ปัญหาอื่นนะค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันแล้วผมก็ไม่แน่ใจเชแล้วว่ามันจะเป็นโปง่งข้างชนิดเดียวกันกับที่บุญคําบอกหรือเปล่าเปล่าขาดคําเขาก็ตะโกนเรียกพรานพื้นเมืองทั้งหมดเข้ามารวมกลุ่มเพื่อสั่งการทันทีโดยไม่ปล่อยเวลาให้พรานไปอีกแม้แต่น้อยคําสั่งของระพินก็คือให้คนเหล่านั้นแบ่งกําลังออกเป็นสองฝ่ายพวกหนึ่งเร่งลงมือเอาน้าเข้าสระโครงกระท่อมใหญ่ที่สร้างไว้าตามแผนเดิมในทันที อีกพวกหนึ่งให้ขยายกองไฟก่อกั้นไว้รอบทิศรายล้อมที่พักเป็นรัศมีวงกลมแต่ละกองมีระยะห่างประมาณไม่เกินสามเมตรแล้วหันมาพูดโดยเร็วกับคณะนายจ้างถึงยังไงคืนนี้เราก็ไม่มีทางติดตามมันได้ละครับนอกจากพักสงบคุ้มเชิองอยู่ในที่มั่นตรงนี้ล่ละครับจนกว่าตะวันจะขึ้นพรุ่งนี้เจ้าพวกเทรซอรพันดูดเลือดที่เราเตรียมระวังกันแต่แรกนั้นตอนนี้มันเรื่องเล็กชละ สัตว์พวกนั้นไม่มีอันตรายอะไรกับเราหน้าี่ตกนักเพราะถึงยังไงเราก็กำบังปลอดภัยเพียงพอแล้วแต่เจ้าสัตว์เหมือนลิงขนาดใหญ่ที่ย่องมาขโมยของเราไปเหล่านี้นะ่ะจิเป็นปัญหาหนักที่สุดแต่เผื่อมันย้อนกลับมาอีกในคืนนี้ผมเดาอนาคตไม่ถูกครับเกรงจะรับมือไม่อยู่เท่าที่เห็นหลักฐานอยู่นี่พวกมันอยู่กันเป็นฝูงหรืออาจเป็นกองทัพเลยก็ได้สามารถทําการร่วมกันได้อย่างสามัคคีพร้อมเพรียง แล้วก็เต็มไปได้วยความฉลาดราวกับมนุษย์เราอาจจะตกอยู่ในภาวะเดียวกับครั้งเมื่อสารเขียวเข้าโจมดีก็ได้แต่เจ้าธมอนดาพวกนี้ร้ายกาดกว่าสารเขียวอันเป็นมนุษย์อย่างเดียวกับเราถึงสิบเท่าและเราก็ไม่มีอาวุธพอที่จะรับมือมันได้ด้วยกระสุนส่วนใหญ่และระเบิดของเรามันยึดเอาไปหมดแล้วเหลือแต่ปืนที่ติดมือพวกเราอยู่หกระบอกกระสุนติดตัวก็คงไม่มากนะักฝ่ายนายจ้างทั้งสี่คนจึงเพิ่งรู้สติ คิดถึงปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นมาได้อะทุกคนตรวจสอบเดี๋ยวนี้ใครเหลือกระสุนติดตัวอยู่คนละกี่นัดการสอบกระสุนเท่าที่พอมีติดตัวอยู่ในขณะ น, นี้ทำว่าทุกคนต้องใจหายลงอีกครั้งกระสุนส่วนใหญ่นั้นนอกจากจะบรรจุรวมกันอยู่ในหีบลังกระสุนกลางซึ่งถูกเจ้าพวกมโมพลไพรขนขโมยไปแล้วส่วนมากทุกคนมีสำรองไว้ในเป้หลังคนละยี่สิบนัดเป็นประจำ แต่โชคร้ายอย่างยิ่งยามหลังของทุกคนก็ปลดออกจากตัวไปวางกองรวมกันไว้ด้วยในขณะที่โปรงหาบสัมภระวางแคมป์โดยไม่คิดล่วงหน้าว่าจะมีเหตุฉุกเฉินใดๆขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเหลือติดตัวอยู่จริงๆตามกระเป๋าเสื้อและกางเกงกันคนละอีกสองสามนัดเท่านั้นนอกนอจากที่บรรจุเต็มอัตราในไรเฟิลแต่ละกระบอกแม้แต่รพินเองซึ่งจับว่าเป็นคนรอบคอบที่สุดในเรื่องนี้ ก็มีกระสุนสำรองมัดรวมกันไว้ด้วยยางรัดของใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างละหกนัดรวมทั้งในปืนด้วยชยันมีสมาเรียเหลืออยู่สิบในแม็กกาซีนห้าและสำรองติดตัวอีกห้าไนซ์เหลืออยู่สิบนัดเช่นกันส่นดารินละหลวงกว่าเพื่อนจุดสแม็กนัม UM ของหลอนมีกระสุนเฉพาะที่ติดอยู่ในตัวปืนแค่สามนัดเท่านั้นแต่มีกระสุนปืนสั้นจุดสาห้าเจ็ดแม็กนัม ที่บังเอิญทั้งปืนและกระสุนยังติดเข็มขัดอยู่อีก22นัดเชิฐากระชัยันก็มีปืนสั้นขนาดจุด44แมกพร้อมลูกปืนติดเข็มขัดกันอยู่อีกคนละสิบกว่านัดส่วนปืนสั้นของรพินและมาเรียติดอยู่ในย่ามอันถูกขโมยไปด้วยรวมเบ็ดเสร็จกระสุนที่มีใช้สำหรับปืนทุกกระบอกเท่าที่เหลืออยู่มีไม่เกินเก้าสิบนัดทั้งไรเฟิลและปืนสั้น เป็นไรเฟิลขนาดจุดสาม็หแมกของมาเรียแกรแซไนคนละกระบอก .460 เวแมกของเชิฐา th 1กระบอก .60 ดนไนโตรของชยันจุด์ศูนของดารินและจุดสีห้ของระพินรวม6กระบอกปืนสั้นประจําตัวของเชิฐาชยันดารินที่บังเอิญยังติดเอวอยู่อีกคนละกระบอกส่วนปืนที่ถูกขโมยไปพร้อมกับสัมภาระทั้งหมด คือจุดสมเม็กของตาเท่าบุญคำสาม0ทับหกของเกิดกระเสยคนละกระบอกและลูกซองหนัดแบบกึ่งอัตโนมัติที่จันถือกับปั๊มแอคชั่นของขยิงโดยไม่นับปืนสั้นของราพินกมาเรียและลูกกรดสั้นของดารินซึ่งหลงติดอยู่ในย่ามที่ถูกขโมยไปด้วยสวยละสิเหลือปืนกระกระสุนสำรองกันแค่คนละสองสามนัดเท่านั้นโดยเฉพาะไรเฟิล ูปืนสั้นไม่ต้องไปนับมาละไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับสถานการณ์แบบนี้ใช้ยันขลางอู้ก็ยังดีกว่าไม่เหลือเลยสักนัดปืนยาวของเราทั้งหมดนะมีอยู่สิบเอ็ดกระบอกถูกมันฉวยออกไปซะห้าเหลืออยู่หกก็นับว่ายังบุญละเห็นจะต้องใช้สมองแทนปืนเสียละละครับในครั้งนี้ระพินเอ่ยขึ้นอย่างปลอบใจฝืนยิ้มให้แกทุกคนซึ่งหน้าซีดไม่มีสีเลือด เอายังไงกันดีล่ะผู้กองเชตถาพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติพลานใหญ่ยกมือขึ้นขยี้ปลายคางมองไปยังกระท่อมซึ่งบัดนี้พวกพรานพื้นเมืองจัดการเอาน้นาสะสุมไว้รอบด้านอย่างหนานแน่นแข็งแรงเปิดเป็นช่องว่างไว้เพียงช่องเดียวสำหรับให้คลานมุดเข้าไปอาศัยภายในเป็นช่องแคบๆพอตัวผ่านได้โดยมีกิ่งน้าอีกส่วนหนึ่งแทนประตูปิดเปิด ส่หรับบริเวณขณะนี้ก็ลุกโชดไปด้วยกองไฟที่ก่อล้อมไว้เป็นแนวระหวังไว้ว่ากองไฟเหล่านั้นจะเป็นรั้วด้านนอกกั้นล้อมพวกเราไว้ในคืนนี้ครับเขาชี้บอกพร้อมกับกล่าวอย่างระมัดระวังและพวกเราทั้งหมดก็จะเข้าไปหลบกําบังอยู่ในกระท่อมสระน้ํานั่นอีกชั้นหนึ่งถึงยังไงก็ช่วยกันภาวนาให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปเสียก่อนแล้วกันครับฝนอาจจะตก แล้วไฟทุกกองจะดับหรือต่อให้ลุกสว่างสวัยยังไงก็ตามก็ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่าไอ้ธรรมน์พวกนั้นมันกลัวไฟหรือเปล่าอาจไม่กลัวก็ได้และถ้ากลัวก็คงไม่บุกเข้ามาขามโมยของในแคมป์ของเราไปได้ทั้งๆั้งที่เราก่อไฟทิ้งไว้แล้วอย่างหนึ่งระยะที่ก่อไฟก็เว้นห่างกันพอที่จะให้มันเดินเลี่ยงกองไฟฝ่าเข้ามาจนถึงที่มั่นของเราได้ลูกคิดเหะ ว่าเพียงกระทอมสระน้มจะไปครานามืออะไรมันช่วยกันถึงตัวละทีสองทีเท่านั้นแต่ถ้ามันบุกเข้ามาถึงที่มันของเราและแตะต้องน้าที่สะไว้เมื่อไรเราจะยิงมันอย่างประนีตที่สุดตัวละหนึ่งนัดจากกระสุนที่เรามีเหลืออยู่ทั้งหมดโดยยิงจากในที่มันออกไปซึ่งระยะเผาขนขนาดนั้นเชื่อว่านัดละตัวคงไม่พลาดถึงยังไงกิ่งหนามก็จะเป็นอุปสรรค ไม้มันรื้อทลายกระท่อมของเราได้เร็วนะักและเข้ามาเจอกับปากกระบอกปืนของเราในระยะใกล้ที่สุดมันจะทุ่มเทกำลังกันเข้ามาตายจนกระสุนของเราหมดปืนทุกกระบอกก็ช่วย อ, อะไรไม่ได้แล้วหลังจากนั้นที่พอจะอุ่นใจได้ก็คือมันไม่อาจจู่โจมบุกตะลุยเข้ามาถึงตัวเราได้โดยฉับพลันเปิดโอกาสให้เรายิงได้ถนัดที่สุดทีละตัวเพราะจะต้องเข้ามาติด้ํากั้นไว้ก่อน จริงของรพินท่านหัวหน้าคณะมองเห็นความจริงในข้อนี้ภายหลังจากพิจารณาใคร่ครวนลักษณะอันมั่นคงแข็งแรงของกระท่มสัต น, นูนี่ถ้าเข้าไปหลบอยู่ในที่มั่นนี่แล้วพอมีทางจะสกัดกั้นมันได้จนกระสุนนัดสุดท้ายทีเดียวนะเพราะมันไม่สามารถจะบุกเข้ามาถึงที่โดยเร็วได้พอยิงทนันไม่ว่าจะบุกเข้ามาพร้อมกันสักกี่ตัวก็ตาม เช่นนั้นเราจะใช้กระสุนทุกนัดให้ได้ประโยชน์ที่สุดเมื่อเวลาจําเป็นนั้นมาถึงมาริยพูดอย่างปลงใจแน่วแน่หันมาบีบมือปลอบใจเพื่อนสาวให้มันรู้ไปนะน้อยว่าพวกมันจะยกขยสงเข้ามาเป็นเป้ากระสุนเราจนครบทั้งเก้าสิบนัดที่เหลืออยู่ฉันคิดว่าถ้าโดนเรายิงคว่ำไปสักสามสี่ตัวเท่านั้นโดยที่มันมองไม่เห็นว่าจะบุกเข้ามาให้ถึงตัวเราโดยเร็วได้ยังไงมันก็คงต้องถอยไปเอง ระยะใ ก, กล้ๆที่มันจะเข้ามาทลายรื้อหนามที่เราสะไว้อย่าว่าแต่ไรเฟิลเลยปล่อยลูกปืนสั้นของเธอก็เชื่อว่าเก็บได้นัดละตัวอย่างสบายขอยยิงเข้าขามวงเละเมื่อเราหลบอยู่ในที่มั่นนี้เราจะมีโอกาสเลือกยิงมันได้อย่างใจเย็นที่สุดนี่ฉันกลุ้มใจแทบจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วนะสัมภาระเข้าของสําคัญของเราที่มันทิ้งเอาไปที่มันเอาไปจะทํำยังไงอะไรก็ช่างเถอะ เครื่องเวชตถุดิของฉันน่ะสำคัญที่สุดป่านนี้ไปรู้พวกมันเอาไปทําลายย่อยยับไปหมดล้วบึงกับเครื่องกระสุนก็เหมือนกันป่านนี้น่ะคงปนปี้หมดไม่ไม่เหลือแน่ใจเย็นวะครับคุณหญิงผมบอกแล้วไงครับว่าให้เราผ่านพ้นคืนนี้ไปก่อนค่อยแก้ปัญหาขั้นต่อไปกันใหม่ผมยังคิดหวังอยู่ว่ามันคงไม่ได้เอาข้าวของของเราไปทําลายนอกจากจะเคลื่อนย้ายเอาไปซ่อนซะเท่านั้น ้็ถ้าหากมันจะทำลายก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องขนไปมันทำลายย่อยยับลงเส้นที่นี่ก็ได้แต่นี่เราไม่เห็นร่องรอยอะไรเลยหีพอแพ็คไว้ยังไงก็รู้สึกว่ามันจะขนไปทั้งห่ออย่างเรียบร้อยไม่ได้เปิดคนกระจุยกระจายให้เห็นเลยไงทรายดารินร้องเรียกเสียงแหบแห้งไปยังร่างที่ยืนสงบนิ่งราวกับภาาปั้นหันหน้าออกไปยังราว่าอันมืดมิดข้ามกองไฟออกไป ใบหน้านั้นหันกลับมาช้าๆแววกังวลไม่อาจซ่อนเร้นได้ปรากฏให้สังเกตจากดวงตาทั้งคู่เธอเป็นคนห้ามพวกเราทุกคนไม่ให้ตามพวกกองไปแต่แล้วเธอก็ไม่อาจขัดความต้องการของเราได้และผลแห่งการรู้เท่าไม่ถึงการของพวกเราก็ทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นถึงเพียงนี้เดี๋ยวนี้เธอมีความคิดอะไรบ้างทีเดียวเหร พวกเราทุกคนตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเส่นแล้วล่ะนายหญิงเสียงห้าวลึกนั้นตอบเนิบช้าแต่ผู้กองระพินก็วางแผนไว้รอบครอบที่สุดอย่างที่ทําได้แล้วไงทร า, ายไม่มีความคิดอ่านอันใดที่จะดีไปกว่านี้แล้วครับนายหญิงไงทร า, ายรู้เพียงว่าในายใหญ่ตัดสินใจถูกแล้วล่ะครับที่บังคับให้ไงทร า, ายนําออกจากที่นี่ไปตามผู้กองถ้าเราทั้งสี่คนยังเฝ้ารออยู่ที่นี่ ในขณะที่มันบุกเข้ามาในปางพักเราจะตายกันทั้งหมดไม่มีใครเหลือเลยแหละครับแกน่าจะรู้ตัวล่วงหน้านะแง่สายเพราะขณะที่เราอยากจะตามผู้กองไปแกพยายามคัดค้านเราไว้นั่นนั้นน่าจะแปลว่าแกอาจรู้ว่าถ้าเราผละแคข้มไปข้าวของทางนี้จะถูกมันมาดอดขโมยไปหมดแล้วทําไมแกไม่บอกเราซะตอนนั้นล่ะชัยันว่าแง่สายสั่นศีษะ นายทหารครับนั่นนะ่ะมันเต็มเพียงแต่การยึดถือคำสั่งของผู้กองโดยเคร่งครัดเท่านั้นนะครับนายทายไม่อาจรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็มีสังหรณ์ร้ายสังหรณ์ที่บอกไม่ได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นทำนองไหนเราตามผู้กองไปแล้วเราก็อยู่รอดได้ดีกว่าที่เราต้องตายกันทั้งหมดเพราะอยู่เฝ้าของในขณะนั้นชีวิตยังอยู่เราก็ยังมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปไม่ว่าจะหนักสักเพียงใด แต่ขณะนี้เรายังทําอะไรไม่ได้ทั้งสิ่ง น, นอกจากสงวนชีวิตรักษาตัวไว้จนกว่าตะ ว, วันจะขึ้นอย่างที่ผู้กองบอกแล้วครับขอให้เจ้านายทุกคนเข้าไประวังตัวอยู่ในกระท่อมหนามนั่นเอะครับแง่ทรายจะขอรับหน้าที่เฝ้ายามอยู่ข้างนอกขอยเติมฟืนในกองไฟทุกกองไว้เองถ้าภัยเจืนตัวใกล้เข้ามาก็จะตามเข้าไปทีหลังครับอากาศเริ่มเย็นลงทุกขณะตามเวลาที่ล่วงผ่านไปภายหลังจาก ตรวจดูความมั่นคงของกระท่อมน้ํานที่มั่นจนแน่ใจแล้วระพินก็ขอร้องให้คณะนายจ้างของเขาเข้าไปหลบพักอยู่ภายในกระท่อมนั้นพร้อมทั้งพวกพลานพื้นเมืองทุกคนซึ่บัตหนี้ปราศจากอาวุธปืนประจำมือเพราะถูกฉกเอาไปหมดคงเหลือแต่มีดเท่านั้นเบื้อง น, นอกจึงมีแต่เพียงแง่ทายคนเดียวเดินถือปืนเคลื่อนไหวช้าๆไปตามแนวกองไฟล้อมรอบเหล่านั้นระพินยืนอัด กนซิกาอยู่ตรงปากประตูกระท่อมหลบภยัยคอยดูแลความเรียบร้อยจนกระทั่งนายจ้างและพันพื้นเมืองของเขาทุกคนทยอยคลานมุดลอดเข้าไปภายในจนหมดสิ้เขายังไม่มีความคิดที่จะเข้าไปในกระท่อมขณะนั้นก่อนแต่ก็ไม่อาจขัดความประสงค์ของนายจ้างได้เพราะเชิดหาเรียกให้ตามเข้าไปด้วยเนื่องจากยังมีเรื่องอีกมากมายที่จะวางแผนหารือกัน ภายในกระท่อมซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 6-7 ตารางเมตรมืดเหมือนอยู่ในถ้ำแต่ก็กว้างขวางและระบบการถ่ายเทอากาศได้หนึ่งจากฝาผนังทุกด้านเป็นไม้ปโปรง่งสะสมด้านนอกไว้ด้วยกิ่งหนามเมื่อสายตาชินกับความมืดภายในก็จะสังเกตเห็นรถสมีจากกองไฟรายล้อมเบื้องนอกสองลอดร้อยปโปร่งเข้ามาได้วับแวมพอจะเห็นกันได้ตะคุ่มตะคุ่มการพื้นเมืองนั่งกอดเขา่าเจ้าจุก รวมหมู่กันอยู่ทางฝั่งหนึ่งส่วนกลุ่มนายจ้างก็รวมกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งริมประตูทางเข้ามีมารียคนเดียวที่ลงนอนเอนหลังชันเขากับพื้นอย่างไม่ยอมเก็บอะไรมาเป็นอารมณ์ให้มากเกินไปนักตามวิสัยคนที่ไม่อินังขังขอบกับชีวิตนอกนั้นยังนั่งทรงตัวตรงกันอยู่ปล่อยให้ความคิดแผดเผาสมองบัดนี้ทั้งบชีวิตอุปมาเหมือนคนที่หมดตัว และแทบจะไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่เลยยกว่าแต่สัมปาระอุปกรณ์ส่วนใหญ่เลยแม้แต่เครื่องยังชีพประจำตัวซึ่งตามปกติแล้วจะติดอยู่ในเป้หรือย่ามหลังก็ไม่เหลืออยู่อันนอ้จะขาดไม่ถึงในเหตุการณ์และวางใจปลดถอดออกสิ่งที่ยังพอเหลือตกค้างอยู่บ้างในขณะนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ติดมือหรือติดเสื้อผ้าขณะสวมใส่อยู่เท่านั้นทั้งหมดยังไม่มีอาหารตกถึงกระเพาะเลย สำหรับค่ำนี้แล้วก็ซ้นหวังใชแล้วเพราะแม้แต่เนื้อย่างรมควันอันเป็นสเสบียงที่บรรจุไว้ในถุงตั้งใจไว้ว่าจะนำออกมาประกอบอาหารมื้อสุดท้ายของวันภายหลังจากวางแคมป์เรียบร้อยก็ถูกฝูงทโมลไพรหิ้วเอาไปเสด็จแต่เหตุการณ์คับขันที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะ น, นี้มันทาให้ทุกคนลืมนึกถึงเรื่องทองไปได้ชั่วขณะไอชิปหายนระกจกเปรตขโมยไปหมดทุกอย่าง สิ้นเนือประดาตัวกันเลยเนื้อแต่พราเล่มเดียวในความเงียบนั้นเสียงใครคนหนึ่งระโกนออกมาดังๆจากกลุ่มพรานพื้นเมืองก็คงจะเป็นบุญคำซึ่งนั่งเขาสูงท่วมหัวเอามือกุมกระบาลอยู่ในขณะนี้เราประมาทกันเกินไปและเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างคิดไปไม่ถึงด้วยเทถากล่าวอย่างปลอบใจพวกพรานพื้นเมืองทุกคน ซึ่ง บ, บัดนี้เต็มไปได้วยความหงุดหงิดเดือดแค้นรำรำจะบ้าเลือดกันไปตามๆกันพวกของบุญคำพากันไปตัดกิ่งหนามคิดว่าระยะมันใกล้และคงจะรีบไปรีบมากันได้ในระยะสั้นๆเลยไม่มีใครสนใจเอาปืนประจําตัวติดตัวไปด้วยพวกชันก็เหมือนกันคิดว่าถึงที่พักแล้วยามหลังติดตัวมันก็หนักเกะกะ ก็ถอดออกวางกองหมดครั้นพอเกิดเรื่องคว้าปืนติดมือได้อย่างเดียวก็วิ่งตามมันไปมันถึงได้โอกาสขนของเราไปได้หมดแบบนี้ก็ยังดีที่พอเหลือปืนอยู่บ้างอีกหกกระบอกฮึขนขโมยไปบุญคำไม่เจ็บใจเลยนี่ลิง ม, มันขโมยปืนซะด้วยเกิดมาเป็นไอ้คำยังไม่เคยปล่อยให้สัตว์เดรัจฉานมันดูถูกถึงเพียงนี้ ะก็ไหนว่าเราเก่งนักไงล่ะบุญคำใช้ ย, ยันว่าพร้อมกับหัวเราะคือคือ <c oughs> แค่ขโมยปืนกับของอื่นๆไปได้นะยังดีมันกะจะขโมยตัวบุญคำไปซะด้วยซ้ำเดินวนเป็นบ้าหลงทางกันอยู่ใต้โคลนต้นกระ บ, บากนั่นอะไรดีนะที่แพนใหญ่าตามไปแก้ไว้ได้ทันไม่งันบานนี้ก็คงถูกมันหิวไปหมดแล้วแหะทั้งหกคนนั่นแหละยิงของนายทหาร ตาเท่าครางอ่อยๆเอามือลูกหัวอยู่ไปมาไอ้พวกนี้มันลิงดำมีฤทธิ์สงสัยเป็นพวกนินเพชรนินผัดทหารลิงทันดำเมืองขีดขินในรามาเกียรติ์กันทั้งนั้นไอ้พระรามแงไซายของเราก็หมดท่าเลยพระสนพมมาถูกขโมยไปซะด้วยหน่าชมกันละอีกคราวนี้การบ่นบ้าไปตามภาษาของเท่าจอมกลัลอน ทำให้อารมณ์อันตึงเครียดของกลุ่มนายจ้างคลายลงบ้างกลายเป็นขบขันอดหัวเราะออกมาไม่ได้อ้าวก็ไหนบุญคำว่าโป่งข้างประเภทดูดเลือดไงล่ะดารินถามปนหัวเราะบุญคำก็พูดจงเดตไปงั้นแหละนายหญิงเคยเห็นตัวโป่งข้างจริงๆที่ไหนกันเห็นมันมีอำนาจจิตสูงนั่งอยู่บนต้นไม้ส่งกระแสจิตลงมาสะกดพัวของบุญคา ให้เดินหลงตาอยู่ใต้ต้นไม้ได้บุญคําก็นึกว่ามันเป็นโป่งค้างแต่นี่มันมาขมโมยของเราไปหมดแล้วก็ยกขโยงกันมาเป็นฝูุ่น้งไม่ใช่ผีโป่งข้างจะแล้วละ่ะคงจะเป็นไอ้พวกทิงคองทมมำนองดําอย่างที่บุญคําเคยดูหนังไขา ย, ยาเขามาฉายนั่นแหละเอ้ยหิวข้าวมันน่า จ, จะออกไปลากเอาตัวที่พรานใหญ่ยิงตายไว้ตัวนั้นมาย่างกินแกหิวแกแขนเนอะ กัน จ, จริงก็ออกไปเอาสิพวกเราก็หิวเหมือนกันชั ย, ยันท้าอดพูดเล่นด้วยไม่ได้บุญคันเงียบกริบไปในทันทีแต่ช้ำเลืองคอนปะหลับปะลือมาช่วยกันคิดดีกว่าท่านใดนั้นน้ำเสียงแผ่วๆแต่เป็นงานเป็นการของมาเรียก็ดังแท่ขึ้นกลางคันจากเจ้าของร่างผู้นอนนิ่งอยู่ในเงามืดกะท่อมที่เราหลบอยู่ และหวังยึดเป็นที่มั่นนี่ตอนที่มันบุกเข้ามาขามโมยของเราที่นี่เรายังไม่ได้สะหนามเตรียมป้องกันไว้เลยเพียงแค่กระชากกันคนละทีสองทีก็ถล่มพังหมดทำไมมันจึงปล่อยไว้โดยไม่แตะต้องเลยมีรอยเท้าของพวกมันเข้ามาเดินวนดูอยู่ใกล้ชิดผ้าใบปูพื้นก็ดีผ้าพลาสติกที่ขึงกัน้นหลังคาก็ดีมันน่าจะรื้อออกไปด้วยหรือไมฉะนั้นก็ฉีกทาลายซะ ทุกคนเงียบกริบและยอมรับว่าสดุดใจอย่างแรงเข้ากับคำพูดของมาเรียแ ม, ม่สาวดึงกายลุกขึ้นนั่งไพวันคุณคิดในข้อที่ฉันพูดนี่มั่งไหมอืมมันก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันนะพรานใหญ่แบ่งรับแบ่งสู้เป็นไปได้ไหมมันรู้อยู่แล้วว่านี่คือกระท่อมที่พักของเราและมีเจตนาโดยตรงที่จะให้พวกเราพักอยู่ที่นี่ ยังไม่ทำลายซะทั้งทั้งที่มันจะทำมันก็ทำได้ง่ายอะไรทำให้เธอคิดว่ามันมีเจตนาที่ดีกับเราถึงเพียงนั้นะ่ะดารินถามโดยเร็วยางไม่เข้าใจความคิดของเพื่อนสาวต่างผิวมารีสันศรีศักดิฉันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะมีเจตนาที่ดีต่อเราในการทิกระท้อบไว้ให้หรอแต่หมายถึงเจตนาจงใจของมันโดยเฉพาะอะไรสักอย่างหนึ่ง เพื่อเราได้เข้าอาศัยไงแต่อย่าลืมนะว่ามันขโมยของของพวกเราไปหมดเท่าที่มันจะหยิบฉวยได้ทีเดียวฉะละเมใชายันกล่าวมาอีกคนหนึ่งใช่ก็ตัดกําลังเราอย่างไงล่ะมันรู้อยู่แล้วนี่ว่าปราศจากอาวุธหรือเครื่องยังชีพจำเป็นเราจะเสียเปรียบมันทุกด้านและในขณะ น, นี้เราก็ตกเป็นเบี้ยล่างมันแล้วเข้าที่คับขันที่สุดมีน้าซ้า ยังต้องมาออรวมกลุ่มอยู่ในกระท่อมที่ดูเหมือนกับว่ามันกำหนดไวให้เราอยู่ซะด้วยถ้าไม่เป็นสิ่งแอบสร็จจนเกินไปนะักฉันอยากจะพูดนะว่า น, นี่คือยุทธวิธีที่จะบีบบังคับให้ค่าศึกหรือฝ่ายตรงข้ามยอมจำนนซึ่งมาจากสมองวงการมีประสิทธิภาพขั้นมนุษย์ทีเดียวถ้ามันไม่ใช่มนุษย์เชิดถาเมนริมฝีปากดารินเบื่ตาจ้องมาเรียสวนช ย, ยันร้องออกมาว่า มันน่าคิดจะแล้วสิอย่างที่เม์พูดถ้างั้นการที่คนของการที่คนของเราหลงตาการที่เราพินต้องออกตามแลวพวกเราพลอยติดร่างเหตตามไปทั้งหมดด้วยก็นี่แห ล, และแต่น่าจะเป็นแผนที่มันวางไว้แล้วสินะคือต้องการให้เราผลผลทิ้งแคมป์กันไปหมดจะได้ออกมาขโมยของทางนี้ก็ต้องลองช่วยกันคิดเผื่อว่ามันจะมีอะไรที่น่าจะเป็นไปได้บ้างอย่าลืมนะ ว่าเดี๋ยวนี้เราก็รู้ชัดแล้วว่ามันไม่ได้มีอยู่ตัวเดียวแต่มีอยู่เป็นฝูงจะมากสักเท่าไหร่ก็สุดที่จะเดาถ้าคิดจะเล่นงานกันซึ่งซึ่งหน้าอให้เรารวมกลุ่มกันอยู่และมีเครื่องมือพร้อมมันพลู ก, กันเข้ามาพร้อมกันทุกด้านชั่วไม่กี่พริบตาเท่านั้นพวกเราจะถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปหมดแต่นี่ทําไมมันถึงไม่ทําอย่างนั้นออกอุบายเพียงขั้นแรกมาขามโมยยุทธปัจจัยและเครื่องยังชี้ไปเท่านั้น นี่ก็น่าจะแสดงแล้วสิว่ามันแต่สงูงเพียงต้องการบันทนกำลังของเราลงก่อนเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ลึกลับอะไรของมันสักอย่างหนึ่งไม่ทันจะขาดคาของมารีฮอปมันป่าอันเคยสงบเงียบรอบด้านก็ปรากฏเสียงไหวสวบสาบอย่างมีเลสในทุกคนกำลังพูดกันอยู่ชนักเงี่ยหูพึ่งขยินกระซางตาเอาหน้าตะแคงลงแนบกับพื้นแต่นั่นไม่จาเป็น เพะช่วออจจใจต่อมานั่นเองทุกคนก็สามารถบอกได้จากสำเนียงที่ได้ยิน <c oughs> คล้ายทหารเป็นกองลอยเคลื่อนขบวนเข้าม า, าล้อมแคมป์ที่พักไว้รอบทุกทิศเป็นการเคลื่อนเข้ามาอย่างมีระเบียบไม่เบาจนถึงกระยองเงียบแต่ก็ไม่หนักถึงกระตึงตังโครมครามหนักเห็นจะไม่มีเวลาให้คิดนานใช่แล้วละครับเพราะต้นเหตุที่เราคิดมันถึงตัวเราจะลว กระพินไพรวันพูดแผ่วเบาพร้อมกับลากไรเฟิลคลานมุดช่องประตูออกไปซึ่งเป็นเวลาเดียวกับร่างของแงซายซึ่งยืนอยู่ปลายสุดของริมกองไฟด้านหนึงน่งกำลังก้าวถอยหลังช้าๆในมือกระชับไรเฟิลมันตาจ้องไตเบื้องหน้าไม่กระพริบในกระท่อมไหวตัวพริบแต่เช่ดเทาร้อนเร็วปลิบนิ่งอยู่กับที่ เราจะฟังคำสั่งระพินอย่างเดียวเท่านั้น ที่หนึาทำกลางแสงไฟที่ก่อไว้ลุกเป็นเปลวสว่างโชนรอบปางพักแง่ใาายจะมีความรู้สึกเช่นไรรบพินไทยวันไม่อาจทราบได้แต่ตนเองบัดนี้ภาพที่ปรากฏกับสายตาทำให้หัวเขาอ่อนแทบหมดสิ้นกำลังวังชาไปในบัดนั้นราวป่ารอบทิศในรัศมีวงกลมปรากฏร่างดำทำมืนแวกโพงไม้โผลออกมาเต็มพืชไปหมด แต่ละร่างเหล่านั้นอย่างย่อมที่สุดก็มีส่วนสูงขนาดก็มีส่วนสูงขนาดเขาเมื่อยืนในลักษณะสองขาแขนยาวเลยเขา่าปกปุยไปด้วยขนสีดำสนิทและดูใหญ่โตล่าสันบอกให้ทราบถึงพะละตำลังแผง อ, อกและช่วงไลปานนักมวยปล้่หมีควายขนาดใหญ่ที่สุดก็ยังดูไม่ทรหดอดทนเท่า มีน้ำซ้ำอาการเคลื่อนไหวก็บ่งให้ทราบชัดว่าว่องไวปราดปรียวประดุดประรอดอันเป็นคุณสมบัติของสัตว์ประเภทลิงไม่จำเป็นจะต้องใช้เขี้ยวอันแหลมคมที่โผล่ยื่อนออกมาจากริมฝีปากเหล่านั้นเลยระพินสามารถบอกได้ทันทีว่าเพียงแค่พละกกำลังจากสองแขนมันตาละตัวพวกนั้นก็อาจฉีกร่างกายมนุษย์ออกได้เป็นชิ้นชิ้นอย่างสบาย บุญคันน่าจะพูดสรงเดชของแกออกมาได้อย่างถูกต้องกับความจริงเท่าที่เขาแลเห็นชัดกับตาณนะบัตนี้แล้วจะพวกนี้มันน่าจะเป็นทหารพระรามแห่งนครขีดขินในเรื่องรามเกียรเสเป็นแน่มันคือลิงชนิดไม่มีหางขนาดใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ากอริล่าย่างที่มาเรียว่าเงยสายก้าวถอยหลังในขณะที่พรานใหญ่ก้าวออกไปเบื้องหน้าทั้งสองกระทบชนกันเบา อย่าเพิ่งยิงเป็นอันขาดนะระพินกระซิบลอดไรฟันออกมามันเอาเราแน่ผู้กองมันล้อมไว้รอบบางพักเราเลยแล้วบีบเข้ามาทุกทิศมากมายเหลือเกินแง่าสายกระซิบเช่นเดียวกันจ้องตาไม่กระพริบเฉยไว้อย่าเพิ่งกระตุกกระตากหรือทำอะไรให้ผิดปกติขึ้นทั้งสิ้นนะ ทั้งสองยืนตักหลักหันหลังชนกันถือไรฟ้นชูขึ้นสูง4้5องศาอย่างระวังเตรียมพร้อมปราศาสต์คำแหยลเครียดจนแทบไม่ยอมหายใจระหว่างที่กวาดตาไปในรัศมีรอบตัวซึ่งบักนี้เงาทมึนเหล่านั้นค่อยๆเคลื่อนใกล้แนวกองไฟเข้ามาทุกขณะตาทุกด้านไหวหยวกยากลูเอ็งไปหมดมันเคลื่อนขบวนรื้อเคลื่อนทับเข้ามาอย่างมีระเบียบที่สุด เรากับจะอยู่ภายใต้บังคับบัญชาหรือคำสั่งจากแม่ทัพนายกองของพวกมันกันเองไม่สามารถจะนับได้ในขณะนี้ว่ามีจำนวนสักเท่าใดแต่ดำมืดเต็มไปหมดทั้งปาจากเงาที่แลเห็นเพียงตะคุ่มตะคุ่มเริ่มจะชัดถนัดขึ้นทุกทีเมื่อใกล้แนวล้อมของกองไฟเข้ามาและฝูงทโมลนไฟเหล่านั้นก็มาหยุดตั้งขบวนห่างกองไฟออกไปประมาณสี่ห้าเมตร ห่างจากระพินกับแงซายผู้ยืนอยู่ในกลางบริเวณต่างพักไม่ถึงสิบห้าเมตรโดยรัศมีรอบตัวถอยไปคอยระวังอยู่ที่ปากท้องเขากระซิบสั่งแงซายต่อไปเบาที่สุดเรากับเกรงว่ากระแสเสียงใดๆก็ตามที่กระโตกกระตากออกไปถึงหูของพวกมันจะทำให้วินาทีนรกอุบัติขึ้นฉะนั้นเกิด <c oughs> อ, อะไรขึ้นไม่ต้องห่วงฉันนะ รีบหลบเข้าไปอยู่ในที่กำบังโดยเร็วที่สุดบอกทุกคนอย่าให้ใครยิงขึ้นก่อนทั้งสิ้นแล้วผู้กองฉันจะดูท่าทีมันก่อนถึงยังไงก็จะเพ่นตามเข้าไปทันไม่ต้องห่วงสหาหสศึกของเขาในทุกสถานการณ์ขับขันค่อยๆก้าวถอยหลังทีละก้าวผละห่างจากที่เดิมเข้าไปจนถึงปากประตูกระทอ่อม และสุดกายลุงคุกเขายังแผวเบาเชษฐาคลานออกมานอนพังภาพครึ่งตัวก่อนแล้วตรงปากทางเข้านั้นในมือทั้งสองประทับจุดสี่เวทเทอร์แม็กส่วนในกระท่อมปากกระบอกไรเฟลิลอีกสกระบอกก็โผล่ลอดรอยโวของผนังสะน้าออกมาจ้องพร้อมอยู่แล้วเพื่อเตรียมยิงคุ้มกันให้พรานใหญ่ทุกคนหัวใจเต้นราวกับพระย่ากองเพล พวกกองสั่งไม่ให้ยิงจนกว่าเขาจะยิงขึ้นเป็นคนแรกครับแงา่สายพูดเบาที่สุดในลำคอบอกกับนายใหญ่ไม่ต้องห่วงพวกเราในนี้ทุกคนรู้ดีว่าควรจะปฏิบัติยังไงว่าแต่ว่ามันจะผ่านกองไฟเข้ามาไหมแงซสายเจ้าคนใช้พิเศษแย่คิ้วแง่สายอ่านใจมันไม่ออกนายใหญ่แต่เราทุกคน เข้าเส้นตายแล้วครับแล้วนั่นพวกกองเขายืนอยู่ทำไมทำไมไม่ถอยกลับก็มารวมอยู่ในกระท่อมนี่แง่สายก็อ่านใจผู้กองไม่ออกเหมือนกันครับรู้แต่ว่าทับเตือนลั่นขึ้นมเมื่อไรเมื่อนั้นมันพูดเขาเรื่องานเราทันทีเชิดทากำชับสั่งดาริมชั ย, ยันและมาเรียให้คุ้มเชิงในรัศมีรอบตัวของรพินตามเดิม ตนวเองก็คลานออกมานอกกระท่อมอย่างระมัดระวังนายใหญ่อย่าออกมาแงใสายร้องบเบาๆก็อยู่ตรงนั้นแหละแงใสคอยระวังให้ฉันกับผู้กองด้วยท่านหัวหน้าคณะบอกแล้วจะรดเท้าเข้ามาจนถึงตัวจอมพรานซึ่งยังยืนนิ่งอยู่ในลักษณะเดิมคุณชายผมเอง ถอเถอะดาพินเดี๋ยวครับให้ผมดูอีกมันอีกนิดนึงอาการของพวกมันพิกลอยอยู่ยังไม่มีทีท่าว่าจะเข้ามาเล่นงานเรานอกจากล้อมไว้เฉยๆเต็ดกองไฟละมะมันคงร้อยไฟมอดผมก็ยังไม่ทราบครับแต่ท่ามันจะแปลกมากมันยกกระโจนเข้ามาล้อมเราเงียบๆยังมีระเบียบที่สุด อย่าเพิ่งให้ใครยิ่งขึ้นก่อนเปน็นอันขาดนะครับผมกับชับไปทุกคนแล้วขนาดจิตที่พวกมันยืนล้อมดูฝ่ายมนุษย์อยู่ด้วยอาการเป็นดึดสนิทต่อมาก็ค่อยๆปรากฏเสียงคำรามครอกครากเบาๆอยู่ในลำคอแล้วแยกเขี้ยวยิงฟันสลอนเริ่มเคลื่อนไหวด้วยอาการหลอกลอ่อคู่ตะคอกอันเป็นวิสัยของวานอนครั้งแรกก็เป็นไปอย่างเบาบางก่อน แล้วก็เริ่มจะหนักนวงขึ้นทุกขณะจนกระทั่งปรากฏเสียงอื้ออึงไปหมดทั้งป่ายามวิกาลกระชากถึงต้นไม้รอบด้านหักสะบัน้นบางต้นถอนรากถอนโคนสแสดงกิริยาอารวาดดุร้ายคมคูขวัญปาสะเทือนอยู่คลื่นโครมและดูสับสนจ้าละวันไปหมดราวกับแผ่นดินจะถล่มทลายผงคลีตลบคลุ้งเป็นควันมัวไปทั่ว แต่ก็ยังไม่มีตัวใดบุกล้ำผ่านแนวกองไฟเข้ามาคงเต้นแรงเต้นกาสำแดงอภินิหารกันโชคอยู่นอกเขตกองไฟเท่านั้นรพินเริ่มถอยหลังส ก, กิดเชิดาให้ถอยตามด้วยจนกระทั่งมาหยุดยืนอยู่ปากทางเข้าปาจับไปยังภาพแวดล้อมของฝูงธมนไทรรอบด้านโดยไม่ยอมละเข้าประจำที่มั่นถึครับถ้าจะไม่ได้การใช่ร เขาบอกเอามือตัดเป็นสัญญาณไปทางเบื้องหลังชิดาถอยลอดช่องเข้าไปก่อนต่อมาก็เป็นแง่ทรายและเขาเป็นคนสุดท้ายที่ค่อยๆ ค, คลานถอยหลังมุดตามเข้าไปแต่ยังหมอบสังเกตคาทีแต่ยังหมอบสังเกตท่าทีค า, าอยู่ปากประตูครึ่งตัวพร้อมที่จะลากหนามกองใหญ่ที่เตรียมไว้ทำเป็นประตูเข้ามาปิดถ้าพวกที่อยู่ภายในกระท่อมทุกคน ยาหมีเลือดในกายแทบจะจับเป็นก้อนแข็งจากภาพและเสียงที่เห็นอยู่นั้นมันเล่นสงครามจิตวิทยาขยับประสาทเราเข้าให้แล้วให้มันบุกเข้ามาซะเดี๋ยวนี้ยังดีกว่าขู่ตะคอกหลอกอยู่แบบนั้นชายันร้องออกมาอย่างเหลืออดขยับจะลั่นไกปืนโตมออกไปแต่มาเรียตตะครุบ ป, ปืนไว้ได้ทันห้ามเสียงหลงอย่าเพิ่งนะ ยิงเมื่อไรมันถึงตัวเมื่อ น, นั้นก็ให้มันรู้แล้วรู้รอบไปทนไม่ไหวแล้วเว้ยอดีตนายทหารปืนใหญ่ตะโกนก้องเฉิดาโดดเข้าตะครุบตัวไอ้อีกคนหนึ่งย่างไรเฟินมาส่งให้บุญคนถือไว้กิจจะบ้าหรือชายันให้มันถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆซัก่อนสิโดนอันร อ, อ, นาาร อ, อไตายก็ได้ถ้าไม่ทำอะไรงงมงลงไปชายันได้สติรู้สึกตัวอีกครั้ง เงียบกริบไปในทันทีนั้นขบกรามแน่นทุกคนประสาท ต, ตึงเครียดแทบจะขาดสะบั้นไปด้วยความร้อนรุ่มกระวนกระวายใจต่อเหตุการณ์ที่คาดหมายไม่ถูกเพราะเห็นฝ่ายมนุษย์ล่าถอยเข้าไปรวมกันอยู่ภายในกระท่อมที่มั่นกลางที่พักกันหมดพวกมันก็สางซาสับผสมเนียงอันโกลาหลวุ่นวายใจากการเคลื่อนไหวอันชุนลมุน ล, ลงอีกครั้งเหมือนจะได้รับสัญญาณบงการจากเจ้าตัวหัวหน้าที่ควบคุมมา เพื่อดำเนินแผนคืบหน้าต่อไปอย่างใดอย่างหนึ่งคงได้ยินแต่เสียงครอกครากส่งภาษาร้องบอกกันใครจะเป็นภาษาพูดของมันต้นไม้และกิ่งไม้ขนาดเขิงๆขงหลายท่อนถูกพวกมันกระชากถอนและหักทิ้งเวียงโยนข้ามเขตแนวกองไฟเข้ามาในบริเวณกาดเกลื่อนไปหมดบางขณะยังแถมด้วยก้อนดินหรือหินโ ต, โตขนาดครกซึ่งถูกระดมกว้างเข้ามาด้วยแต่ก็ดูไม่รุนแรงอะไรนัก เป็นอาการขคค่มรูอวดอภินิหารพลังศักดาของมันมากกว่าเอ น, นี่มันจะเอาอยัางไงกับเราแน่นะเนี่ยดารินคลางออกมาเหงื่อแตกสิแม้อากาศจะเย็นเยือกแต่เดี๋ยวก็รู้ร้อยไฟโซมลงกว่านี้อีกหน่อยเท่านั้นแหละเชิดาบอกก็ทำไมเราไม่ฉวยโอกาสยิงให้มันตายลงก่อนสักตัวสองตัวระหว่างที่กองไฟของเรายังลุกโชดมองเห็นอะไรถนัดอยู่อย่างนี้ล่ะ บางทีอาจทำให้มันแตกถอยไปก็ได้ราชสกุลสาวมีความคิดเช่นเดียวกับชัยันคุณหญิงครับใจเย็นๆไว้ครับผมบอกแต่แรกแล้วไงว่าเราเหินจะต้องใช้สมองแทนลูกปืนซะละถ้ายิงแล้วมันแตกพายถอยไปตามที่หวังก็ดีไปแต่ถ้าเป็นการยั่วยุให้มันบุกตะลุยเข้ามาเร็วยิ่งขึ้นโอกาสแก้ไขของเราจะน้อยลงนะครับผมไม่คิดว่ามันจะกลัวกองไฟของเรา จะบุกเข้ามาเมื่อไหร่ก็คงจะเข้ามาได้เพียงแต่มันต้องการแค่ล้อมอยู่ข้างนอกก่อนเท่านั้นแล้วก็จริงตามที่พรานใหญ่ตั้งข้อสังเกตทามกลางสายตาของฝ่ายมนุษย์ที่จ้องตะลึงตาไม่กระพริบอยู่ในที่มั่นนั้นประมาณสี่หรือห้าตัวจากฝูงของมันที่ชุมนุมล้อมแน่นอยู่เบื้องนอกบัดนี้ค่อยๆเดินผ่านแนวกองไฟที่เว้นระยะช่องห่างกันพอสมควรนั้น มีวงเข้ามาภายในบริเวณลานอาณาเขตที่พักแต่ละตัวที่ผ่านล้งเข้ามามีขนาดใหญ่มาคึมาขนาดเดียวกับทระพินยิงร่วงลงมาจากต้นกระบากทั้งสิ่งลักษณะจะเป็นไอหัวโจกนายฝูงที่ควบคุมกันมาอาการผ่านแนวกองไฟล้อมของฝ่ายมนุษย์เป็นการผ่านเข้ามาอย่างหน้าตาเฉยไม่มีวี่แววจะหวาดกลัวสตกสะท้าน กับรถสมีเปลวไฟในกองอย่างใดทั้งสิ้นผิดกับธรรมชาติของสัตว์ปาทั่วไปเรากับคนอาศัยเดินผ่านเข้ามาทางช่องว่างระหว่างกองไฟนั้นอย่างสบายลักษณะเดินของมันโยงตัวเอามือยาวเหยียดทั้งสองระมากระพื้นซึ่งเป็นลักษณะการเดินของลิงใหญ่ประเภทปราศจากหางทั้งหลายแต่พอยืดตัวยืนสองขาขึ้นสุดช่วงเหยียดกดรังงานเงื่อมทํามือถืน ปานหกฟุตบางร่างขนาดใหญ่ของขยินหรือแง่สายมิดทีเดียวพวกมันสีห้าตัวเหล่านั้นเมื่อผ่านแนวไฟเข้ามาได้ก็เดินสูนกันเพ่นพ่านพร้อมกับส่งเสียงคู่คำรามในลำคอเบาๆตามริมบริเวณกองไฟชายลานประเดี๋ยวก็หันไปส่งเสียงครอครออยู่กับพักพวกที่ล้องมุงอยู่เบื้องนอกประเดี๋ยวก็หันมาทาปากยื่นเฉิดหน้ามาทางกระท่อมที่มนุษย์ เข้าไปหลบภัยตั้งมั่นอยู่บางตัวก็ทาการขยมตัวอยู่กับพื้นแล้วตีลังกากลับหลังอยู่แพลวแผวชิบหายละสีนายมันไม่กลัวไฟจริงๆด้วยบุญคำร้องตาเหลือทำยังไงดีละรพินมันล้มก็มาได้จริงๆนั่นแหละเลชี่ยท้ากับกลุ่มนายจ้างทุกคนตกใจแ ท, ทบสิ้นสติแล้วล่ํแ ล, ลัแลากออกมาโปเชื่อผมครับ อย่าพึ่งยิงจนกว่ามันจะเข้ามาแตะต้องน้ำที่เราสักกระท่อมนี้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจอมพ่านย้ำคําหนักแน่นที่สุดตาจ้องจับดูการของเจ้าพวกหัวหน้าที่ผ่านเข้ามาเดินเพ่นพ่านในบริเวณสังเกตอาการกิริยาของมันทุกขณะจิตดูนั่นนาย่มันลากบึงของเรามาด้วยนี่ทันทีนั้นจันทก็ร้องโวยวายขึ้นทุกคนแลออกไปก็เห็นได้พร้อมกันหมด เจ้าตัวที่ลุกล้ำผ่านแนวกองไฟเข้ามาเป็นตัวสุดท้ายของชุดนั้นลากวัตถุดำๆยาวๆอะไรชนิดหนึ่งติดมือเข้ามาด้วยแสงไฟส่องให้เห็นชัดว่าสิ่งนั้นคือลูกซองเบวนีงกึ่องอัตโนมัติประจำมือของจัน์นั่นเองมันลากติดมือเข้ามาเหมือนลากไม้ท่อนเล็กๆแล้วยกขึ้นเวียงกราดฟาดอากาศอยู่ไปมาโดยถือทางายลํากล้องไว ส, งส่งเสียงตะอคอกคารามไปพราน มีอาการเหมือนจะฟาดปืนแล้วก็พื้นตรงหน้าให้แลดย่อยยัดไปคามือแต่ก็ไม่ถึงกับฟาดลงจริงๆคงทำด้วยอาการยั่วหลอกอยู่เช่นนั้นมารียาฮอฟมันแทบลมใสโอ้พระเจ้าประทุกอย่าให้มันทำลายปืนของเราซะเลยลอนพื้นํามออกมาโดยไม่รู้สึกตัวชัยยันนั้นทั้งเดือดแคดและกนโกนกต่อเหตุการณ์ซะจนกลายเป็นอารมณ์ขันหัวเราะออกมา มันจะขวดปืนของเราปนไปก็ช่างมันเถอะสาคัญอย่าเสือกเอาเปืนของเราเองมายิงใส่เราก็แล้วกันจันปืนแกนะ่ะบรรจุลูกพร้อมขึ้นลํำไว้แล้วไม่ใช่หรอครับนายทหารเจ้าประคุณชัยยัน บ, นบุญบาทขอให้ปืนลัน่นตูงขึ้นมาสักทีเถอะไอ้พวกลิงวายไรใครจะมีความรู้สึกอย่างใดในขณะนี้ก็เหลือที่จะทราบได้ แตสำหรับพรานใหญ่ระพินนั้นเม้นริมฝีปากแน่นเขากําลังจ้องดูปฏิกิริยาของเจ้าทหารพระรามพันดําเหล่านั้นด้วยความพิเคราะห์ใคร่ครวญหนักมันน่าจะมีความหมายอะไรแฝงอยู่ในอากาศกิริยาของพวกมันอยู่ไม่น้อยทีเดียวเพียงแต่จะแปลออกหรือไม่เท่านั้นเพราะถ้าจะว่ามันมุ่งมาล้อมเพื่อพิฆาตทําทลายมนุษย์ในกลุ่มนี้ทั้งหมดมันก็ไม่มีความจําเป็นอย่างใดเลยที่จะต้องรอรังอยู่เช่นนี้ จะพลูเข้าถึงตัวซเมื่อไหร่ก็ได้จากปริมาณอันเป็นกองทัพมากมายซึ่งยกกันมาเต็มตาแกว้วกลัวอำนาจของไฟแบบนี้ก็พิสูจน์ออกไปแล้วว่ามันไม่ได้กลัวเลยจนนิดเดียวม่น้ำซ้ำอาวุธปืนที่พวกมันดอดขโมยเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังลากติดมือมาทำการยั่วแย่ให้เห็นเชิงเยะเยยซ ะ, ะอีกทานองว่าปืนน่ะตกอยู่ในกามือยึดครองของพวกมันแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง อันเป็นความในเหล่านี้ล้วนน่าจะเป็นผลมาจากสมองที่จเจริญเหนือขั้นเดรัจฉานธรรมดาทั้งสิ้นยังไม่ทันจะสางจากตอลึงงนันไฟมนุษย์ทั้งหมดก็ขนหัวลุกชันขึ้นมาอีกเมื่อเห็นเจ้างตัวหนึง่งเขา้าไปเอามือเขี่ยเล่นที่ดุนฟืนในกองไฟอันลุกโชนช่วงอยู่โดยจักทางด้านนอกซึ่งยังไม่ติดไฟแล้วก็ลากออกมาเปลวไฟติดส่วนปลายสุดถือเหากระใต้ถือแกงเล่นอยู่ในมือ โอ้ยอีแบบนี้มันเผากระท่อมข้าวเราทั้งเต็นได้แล้วนายลงลากฟืนติดไฟออกมาได้ยังงั้นน่ะรพินตะหวัดเบินขึ้นไหลในพลิปตานั้นจ่องศูนย์ไปยังอกของเจ้าตัวที่ทะลงคว้าฟืนติดไฟขึ้นมาถือแกงในมือก็บลงใจเด็ดขาดถ้ามันถือดุนนั้นปรีเข้ามาใกล้กระท่อมหรือแสดงอาการอื่นใดเห็นว่ามันจะใช้ไฟเผาที่มั่นเมื่อใดเขาจะยิงมันทันที ผู้ร่วมคณะทุกคนที่มีปืนอยู่ในมือก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างใจหายใจคว่ำเงียบงันกันไปหมดในวาระนั้นก็น่าปะหลาดใจไม่น้อยอีกเช่นกันเจ้าตัวที่อุตริดึงไฟออกมาจากกองไฟไม่สัมผัสอาการโน้มเอียงชวนให้คิดว่ามันจะเอาไฟเข้ามาจุดเผากระท่อมเสียเดี๋ยวนี้อย่างที่เข้าใจกันแต่แรกมันคือไม่มองมาที่กระท่อมกวัดแกว่งไฟเล่นอยู่พักใหญ่ก็โยนฟืนเข้าไปในกองตามเดิม มีหนำซ้ำไฟดุ้นไหนที่ถูกไฟกินมอดจนเหลือส่วนโคนโผล่ล้ำออกมานอกกองมันยังเสือกซุนเข้าไปเพิ่มเติมในกองให้ซะอีกด้วยถ้าเอาฝ่ายมนุษย์อ้าปากค้างไม่อาจคาดคะเนสิ่งใดได้ถูกงงงันอัศจรรย์กันไปหมดไพวันมันมีอาการพิกลอย่างที่คุณว่าจริงๆมันเป็นสัตว์ไม่กลัวไฟหรือเข้าใจอานาจของไฟได้ยางนั้น มันจะเอาไฟเข้ามาเผากระท่อมเราใช่ไหมอหไรก็ได้เมื่อกี้นี้ตอนที่มันหยิบไฟขึ้นมาฉันนึกว่ามันเอาแน่แล้วแล้วทำไมมันถึงไม่ทำนี่น้าซันยังสูงฟืนซุนไฟอ่ะสิอีกมาเรียพูดเสียงสั่นกับพริบเปลือกตาทีๆขณะที่จ้องขมิงไปยังไอทหารธรามเหล่านั้นนั่นสิแล้วมันบุกเข้ามาได้จนถึงบริเวณของเราแล้วมันก็มาจจะเข้ามาถึงกระท่อมเราได้ด้วยิ ตอนนีมันมีอาการเหมือนจะยึดบริเวณเฉยๆโดยไม่เล่นงานเราในขั้นแตกหักเชษฐาพูดอย่างตื่นงงโดยเร็วเสริมขึ้นรพินตอบอะไรใครไม่ได้ทั้งสิ้นในขณะนั้นป่ายแขนเช็ดเหงือบนหน้าผากซึ่งแตกพลักลดปืนจากอาการที่จ้องจริงจังเมื่ออึดใจที่แล้วลกนันทางภาพคาอยู่ปากประตูพิจารณามันอยู่เงียบๆอีกพักใหญ่เจ้าพวกที่ผ่านแนวกองไฟเข้ามา ก็คงอยู่ในาการเดิมๆของมันเดิมไม่มีอะไรจะสอไปในทางร้ายเพิ่มขึ้นพวกมันนั่งบ้างเดินบ้างบนเวียนกันอยู่ริมกองไฟด้านในรากลับจะเป็นแคมป์พักของพวกมันกันอีกหรือมิฉนั้นก็เป็นบริเวณยึดครองที่มันกุมอํานาจไว้เดินสิทธิ์ขาดแล้วนานๆจะหันมาทำท่าคูตะคอมาทางกระท่อมสักทีหนึ่งส่วนไพรพลส่วนใหญ่ที่ล้อมอยู่เบื้องนอก ก็คงชุมนุมเป็นแนววงกลมอยู่ตามเดิมเหมือนจะตึงกำลังไวอย่างเหนียวแน่นป้องกันไม่ให้ฝ่ายมนุษย์ตีฝ่ า, าไปได้แต่ก็ไม่รุกล้ำล่วงเข้ามาในบริเวณเพิ่มเติมอีกคงมีแต่เจ้าตัวใหญ่ๆอันเป็นจ่าฝูงที่บุกเข้ามาในชุดแรกเท่านั้นเสียงเขย่าต้นไม้หักทั้งกิ่งและขู่ตะค้อครคราดดังอยู่เป็นระยะระยะ ผมไม่คิดว่ามันมีเจตนาจะฆ่าเราชะแล้วล่ะครับในที่สุดแานใหญ่ก็เอ่ยขึ้นอะแล้วทัางนั้นมันยกล้อมเราอยู่อย่างนี้ทาไมละ่ะผมก็กําลังคิดอยู่และอยากจะเชื่อว่าในระหว่างเส้นเป็นกับเส้นตายนี่บางทีเราน่าจะมีทางเลือกได้นะครับถ้าเราคิดออกพฤติการณ์ของมันนะ่ะตรงกับข้อสังเกตของมนุษย์ที่ตั้งไว้แต่แรกแล้วนับตั้งแต่มันย่องเข้ามาขโมยของขอ ง, ของเรา แล้วทิ้งกระท่อมไว้โดยไม่รื้อทำลายซะนี่ภาษาชาวป่าชาวเขาทุกแข น, แนงก็ล้วนแะล้วแต่พูดได้ทั้งนั้นแล้วทำไมคุณถึงไม่หัดพูดภาษาลิงไว้บ้างนะจะได้ออกไปเป็นทู่เจราจาถามความดูสิมันจะเอาอยัางไงกับเราคนพูดคือน้องสาวคนสวยของนายจ้างคนฟังฟังแล้วถึงกับกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดๆนั่นนี่ครับถึงว่าดิ ผมก็เสียใจจริงๆที่ไม่ได้หัดพูดภาษาลิงวะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับถึงยังไงมันก็เป็นสัตว์ในพิภพโลกนี่เหมือนกันก็น่าจะมีภาษากลางอะไรสักอย่างที่ทำให้ผมกับพวกมันพอจะใช้เป็นสื่อกลางเข้าใจกันได้ทุกคนโปรดระวังคุ้มเชิงอยู่ในนี้ตามเดิมก่อนนะครับผมจะออกไปเจราจากับมันอีกผมก็เชื่อเหมือนกันว่ามนุษย์อยากจะเจราจากับเราโดยสันติวิธีหมายเง้นเขาไม่มีพฤติการแบบนี้หรอก ว่าแล้วเขาก็ขยับตัวอีกครั้งแต่เช่ดถากดที่ต้นขาไว้รพินคิดดีแล้วเหรอที่จะออกจากที่มั่นนี้ไปก็เห็นทนโท่อยู่นั่นน่ะว่ามันเพ่นพ่านเต็มบริเวณด้านในของเราหมดแล้วคุณชายครับผมมีความเชื่อมั่นอยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกคือถ้าผมไม่ทำอะไรมันก่อนมันก็คงยังไม่ทำอะไรผมเหมือนกันอย่างที่สอง ถ้าเกิดจาเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกมันที่ใกล้ชิดผมที่สุดเพียงหกตัวพวกเราทั้งหมดคงจะช่วยยิงหยุดยั้งไว้ได้ทันเปิดโอกาสให้ผมเพนกลับมาถึงที่นี่ได้ก่อนที่พวกมันส่วนใหญ่จะฮือเข้ามาเอาเป็นว่าระหว่างที่ผมเดินออกไปโปรดระวังเตรียมปืนคอยยิงคุ้มกันไว้ด้วยก็แล้วกันจะอางั้นเหรอท่านหัวหน้าคณะยังไม่แน่ใจนักจ้องหน้าเขาขมิงเอาเงี้ยครับ เราจะได้อย่างท่าทีของมันให้แน่ชัดขึ้นว่ามันจะเอาอยัางไงกับเราอถ้างั้นก็บอกแผนแน่แน่นอนซะก่อนพวกเราอาจจะตื่นเต้นหรือตกใจเกินไปเดี๋ยวดีไม่ดียิงออกไปซะก่อนเวลาสมควรก็ได้แล้วแผนการจะกลับตาลปัดไปสมดุดเอางี้ครับผมจะเสี่ยงอีกครั้งทิ้งไรเฟิลของผมกระบอกนี้ไว้ให้บุญคําเพื่อให้เป็นปืนคุ้มกันอีกกระบอกหนึ่งในที่มั่นนี่ แล้วก็ขอปืนสั้นของคุณชายหรือคุณชายยันให้ผมสักกระบอกหนึ่งเท่านั้นจะเดินออกไปให้มันเห็นว่ามือเปล่าไม่ได้มีอาวุธออกไปด้วยจะดูซิว่ามันจะทํายังไงกับผมเอาเอาเอาผมเข้าใจในข้อนี้แต่ไห้หลงบอกก่อนที่ว่าคุณมีหลักเกณฑ์เชื่อมั่นยังไงว่าจะออกไปส่งภาษารู้เรื่องกับมันได้มันเป็นสัตว์เราเป็นคนถ้าคุณอธิบายให้ผมพอใจไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องออกไปเสี่ยง ตั้งมั่นดูท่าทีอยู่ในนี้แหละผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าผมจะเลือกหลักเกณฑ์อะไรแต่มีความมั่นใจอยู่ว่าสัตว์ทุกชนิดมีธรรมชาตินิสัยและสัญชาตญาณในการรับรู้เข้าใจความของมันได้เองซึ่งอาจเข้าใจกับคนได้เหมือนกันถ้าเราพยายามจะเข้าใจกับมันอีกประการหนึ่งเจ้าลิงพวกนี้ก็เป็นสัตว์ฉลาดมากอย่างที่เราเห็นอยู่แล้ว ซ้ำอย่างน่าจะมีแผนการอะไรสักอย่างหนึง่งที่วางแผนที่ดำเนินกับเราสำคัญที่สุดก็คือผมจะไม่แสดงให้มันเห็นว่าผมจะออกไปต่อสู้หรือทำอันตระทาอันตรายอะไรกับมันจะดูท่าทีสิว่ามันมีการเคลื่อนไหวยังไงต่อไปการเคลื่อนไหวคืบหน้าของมันบางทีอาจช่วยให้เราอ่านเจตนาของมันได้นะครับเชีถาช่างใจแล้วถอดปืนสั้นที่ติดเอวอยู่ส่งให้เขาทั้งขีนขับ ตกลงทางฝ่ายเราจะรอดูผลแต่คุณยิงเมื่อไรเราก็ยิงเมื่อนั้นเจมพรานรับเข็มขัดซองปืนของนายจ้างเอามาขาดเอวไว้แล้วส่งจุด4 5 8ไปให้บุญคำขนาดนั่นเองดารินก็ท้วงมาอ่อยๆว่านี่ฉันพูดเล่นหรอกนะไม่ได้มีเจตนาจะให้คุณไปส่งภาษาลิงกบไอทมโมลพวกนั้นหรอกถ้ายังไงแเราก็อยู่ในที่ของเราดีกว่านะ ฉันไม่แน่ใจนะว่าจะยิงคุ้มกันให้คุณทันเวลาหรือไม่ถ้ามันเกิดจะนึกอยากรุมกันฉีกเนื้อคุณขึ้นมาในกรณีที่คุณไปฆ่าพวกมันเข้าก่อนตัวหนึ่งตรงลําห้วยน่ะกระพินหัวเราะพูดถ้เป็นเรื่องเล่นขบขันช่ปะไม่เป็นไรหรอกครับคุณหญิงบางทีมันมุ่งเข้ามาล่อให้เราจํานวนอยู่หนี่อาจต้องการยื่นเงื่อนไขต่อคณะของคุณหญิงเพื่อขอตัวผมไปเป็นเฉลยมันเพียงคนเดียวก็ได้เพราะผมไปทําผิดฆ่าพวกมันตายเข้า ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็ยินดีที่จะเป็นนักโทษของมันพวกเราทุกคนจะได้ปลอดภัยครับพร้อมกับกล่าวจบจอมพรานผุดออกไปสู่บริเวณเบื้องนอกกระท่อมอีกครั้งอย่างระมัดระวะังทันทีที่เหลือเห็นการโผล่ลำของมนุษย์ออกจากกระท่อมที่หนีเข้าไปรวมกันอยู่ไอ้ธมพลายตัวขึงๆที่ป้วนเปียนอยู่เหล่านั้นส่งเสียงทีทีสั้นๆในลาคอ้คายจะร้องบอกกัน แล้วหันควักมาจ้องให้ความสนใจในทันทีพวกมันมองขม็งมาเป็นตาเดียวบางยืนประงานสองขาจังก้าบางลงคุ้มตัวสีขากับพื้นขยับโยกอยู่ไปมาทำปากยืดหน้าผากเรืด้ดอาการเดียวกับลิงวอกที่ทำหลอกระพินมองหมายตาไปที่พวกมันทุกตัวอย่างไม่ยอมให้ตัวไหนพ้นการสังเกตไปได้ในรัศมีการกวาดตาของเขา ทั้งหกตัวใหญ่เรียงรายเป็นเส้นหน้ากระดานแนวกว้างอยู่เบื้องหน้าเขายังไม่มีตัวไหนที่จะแสดงอาการว่าโอบตลบมาเบื้องหลังซึ่งพอจะช่วยให้มองเห็นการเคลื่อนไหวของมันทุกตัวได้ถนัดด้วยสติและกําลังใจที่ขุมมันระพินก้าวออกไปอย่างแชื่มช้าทันทีเหมือนเจตนาจะให้มันเห็นว่าเขาเดินเข้าไปหามันอย่างปะกะติที่สุดไม่ได้เป็นศัตรูอย่างใดทั้งสิ้น ปืนสั้นของเชษฐาอยู่ในซองข้างเอวถึงยังไงในวินาทีสำคัญที่สุดเชื่อว่าคงจะกระชากออกมาทันและอนุภาพขนาดจุด 4, 4แมกน้ำในระยะยิงเผาขนเช่นนี้ก็ควรจะทำให้มันพัหะหลังไปได้สำหรับเจ้าตัวแรกที่จะจู่เข้าถึงตัวเขาส่วนหลังจากนั้นก็ฝากชีวิตไว้กับไรเฟิลหกระบบของพรรคพวกรืตอตนเองจะทิ้งตัวลงนอนราบกับพื้นทันที มันมีอาการลังเลเมือนจะอ่านใจอ่านดูท่าทีเขาอยู่เช่นกันระหว่างที่พานใหญ่เคลื่อนใกล้กลุ่มของมันเข้ามาเป็นลําดับอย่างไม่แสดงว่าจะมาร้ายขณะเดียวกันก็ไม่สอว่าจะหวาดเกรงพันพึงอะไรกับอาการขูกหลอกด้วยเจ้าตัวไหนที่เขาสงสายตาจ้องมันอย่างจริงจังก็เริ่มเคลื่อนไหวถอยห่างออกไปคุ้มเชิงด้วยสัญชาตระแวงภัยเช่นกันระพินเริ่มใจชื้นขึ้น ทันทีนั้นภายหลังจากจับเคลิได้ขณะเดียวกันก็ต้องระวังการเคลื่อนไหวของตอนเองทุกฝีก้าวถ้าเขาเซ ส, สดุดหรือทำอะไรให้กระตุกกระตากผิดปะกะติขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะพรึบเข้าถึงตัวหรือไม่ทางด้านในกระทร่อมไพเฟิร์นตั้งหกระบอกกำหนดแบบหน้าที่กันไว้เรียบร้อยแล้วสูงของแต่ละกระบอกเหล่านั้นจับจ้องตามการเคลื่อนไหวของเจ้าทมลทั้ง6ยุทุกขณะจิต เราเวลาที่จะแผดคำรามขึ้นเมื่อความจำเป็นสุดยอดมาถึงเท่านั้นเชษฐานัดแนะทุกคนไว้เรียบร้อยแล้วว่าใครคุมตัวไหนเพื่อไม่ให้เกิดสับสนและพลาดลงได้เบื้องหน้าท่ามกลางสายตาอันเบิกโพรงไม่กระพริบของทุกคนร่างของสุภาพบุรุษไพรอันเป็นหลักประกันและกุญแจชีพของทุกคนเคลื่อนเข้าไปสู่เงื้อมหันตะไพเข้าไปทุกขณะ ไม่มีใครเห็นว่าเขาสะทกสะทานหรือหลังเลเพียงแต่ไม่ประมาทเท่านั้นแล้วรพินก็มาสู่การประจันหน้ากับข้าศึกผู้บุกรุกเข้ามาเ้ือความทนงอาหางการนั้นในระยะห่างเพียงไม่เกินสี่ห้าเมตรนับจากตัวที่ใกล้ที่สุดซึ่งกำลังค่อมตัวลงเอาแขนหน้ายันพื้นขย่มโยกกายอยู่เป็นจังหวะจ้องเขาอยู่เช่นกันระยะนั้นมันกระโจนพรวดเดียวก็จะถึงตัวในพริบตา หัวใจอันเฮี้ยมหา้าคุ้นเคยกับสารพัดสัตว์ ร, ร้ายของเขาบัตรนี้เต้นแรงจะปรับใจิตใจมาเป็นอย่างดีแล้วเช่นไรก็ตามบัตรนี้ยังยอมรับกับตนเองว่าความรู้สึกภายในอดที่จะวันไหวระทึกสั่นซะไม่ได้เจ้าโมอนใหญ่พวกนี้แต่ละหน่วยชีวิตของมันก็ใช่ว่าจะมีฤทธิ์เดชสักดาสักแค่ไหนแม้จะว่องไวปราดเปรียวและเต็มไปด้วยพละกําลังก็จริง ถ้าลำพังตัวสองตัวก็จะไม่เห็นว่ามันมีความหมายอะไรทั้งสิ้นแต่นี่มันยกกันมาเป็นกองทัพใช้ปริมาณมากเขาว่าสัมยังเป็นสัตว์มีสมองฉลาดเพียบพร้อมไปด้วยเล่เหลี่ยมอุบายร่วมหมู่ร่วมใจกันอย่างสามัคคีพร้อมเพรียงข้อนี้แหละที่ทาใหสถานการณ์ของฝ่ายมนุษย์ต้องตกเป็นรองทุกประตูยอมพรานชำเลืองหางตาไปทั้งสองด้า อีกห้าตัวกระจายห่างออกไปทางด้านข้างของเขาธรรมการกระสับกระสายอยู่ไปมาคงมีเจ้าตัวข้างหน้าในแนวตรงเท่านั้นที่ไม่ยอมละถอยหรือเคลื่อนหนีไปทางอื่นนอกจากจ้องระวังคุ้มเชิงอยู่เช่นนั้นลักษณะของมันก็ใหญ่ทะมึน พ, พ่วงพีเหนือกว่าทุกตัวในกลุ่มคงจะเป็นนายใหญ่ที่คุมฝูงมาทั้งหมดและแน่ละถ้าไอตัวนั้นตัดสินใจอย่างไร ตัวอื่นก็จะฮือตามในทันทีอย่างพร้อมเพรียงขณะนี้พวกมันทั้งหมดคงจะรอคำสั่งหรือสัญญาณจากจ่าฝูงตัวเบิมที่สุดของมันนั่นเองเขายืนนิ่งประจันหน้ากับมันอยู่ขณะจิตหนึ่งแล้วค่อยๆ อ, อ้าแขนออกไปห่างตัวเล็กน้อยเชิงบอกให้มันทราบจากอาการนั้นว่าไม่มีอาวุธใดๆติดตัวอยู่ทั้งสิ้น มันจะเข้าใจอาการนั้นของเขาหรือไม่ก็ไม่อาจทราบได้เห็นทำปากยื่นออกเสียงครอครอในลำคอเป็นระยะอยู่เช่นนั้นท่าทีมันลดตัวลงยืนจ้องสีขาหน้าวาดเสียวอย่างยิ่งว่าจะ ก, กระโจนคว้าคอหอยของเขาเสียพริบตาใดพริบตาหนึ่งก็ได้ระพินฝืนยิ้มออกมานิดนึ่งคราวนี้เขาทดลองเสียงอีกครั้งค่อยๆลดตัวลงจากท่ายืน ลงไปนั่งคุกเข่ากับพื้นระดับเดียวกับมันพร้อมกับกลั้นใจก็ควรจะเป็นจังหวะนี้แหละที่มันน่าจะลงมือเล่นงานเขาหากมันมีประสงค์ร้ายอยู่ก่อนแล้วไม่เกิดผลในทางร้ายอย่างใดขึ้นทั้งสิน้นมันพินิษระวังการเคลื่อนไหวช้าๆของเขาอย่างดูชื่อพอเห็นว่านั่นไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่จะเล่นงานหรือเป็นอันตรายอย่างใดต่อฝ่ายมัน ไอ้ธมน์จ่าฝุนก็ขยับตัวจัดอาการคุมเชิงเดิมถอยออกไปอีกสองก้าวแล้วหมุนตัวส่ายอยู่ไปมาส่วนตัวอื่นๆก็ถอยห่างออกไปอีกไม่ได้ห่างไปไหนไกลหากแต่คราวนี้โอบตีวงล้อมเข้าไว้รอบดับทั้งหน้าและหลังออกลวดลายวานอนหลอกล้อนระคนไปกับคูตะครอบเพียงแต่ยังไม่ลงมือราวีเท่านั้นกระพินกวาดสายตาไปรอ บ, รอบ บังเกิดความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ด้วยสัญชาตญาณหรือสังหรนอะไรสักอย่างจากพฤติการที่เห็นอยู่นี้แล้วก็เกิดใจเย็นขึ้นอย่างประหลาดไอพวกทหารพระรามเหล่านี้คงไม่ได้มีเจตนาที่จะมาร้ายกับคณะของเขาแน่นอนถ้าฝ่ายของเขาไม่แสดงว่าจะต่อสู้หรือทำอันตรายพวกมันตัวใดตัวหนึ่งขึ้นก่อนลูกซอมห้านัดของจันบัดนี้ตกอยู่กับพื้น ห่างจากด้านซ้ายมือของเขาออกไปประมาณสองเมตรก็จะทโมลจ่าฝูงตัวนั้นแหละที่ลาดเอาเข้ามากวาดแกว่งทิ่มดินเล่นอยู่เมื่อครู่ใหญ่ละบาดนี้มันโยนทิ้งตกอยู่กับพื้นเหมือนจะละความสนใจกระพินเมมปากชํำเลืองจับอยู่ที่บาวนิ่งเอฟเอกระบอกนั้นมันปกติดีทุกอย่างไม่ได้ชำรุดเสียหายใดๆทั้งสิน้นเพียงแต่เปื้อนฝุ่นดินมอมแมมไปเท่านั้น แล้วเขาก็ค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ปืนกระบอกนั้นด้วยเจตนาว่าจะลองใจดีสู้เสือหยิบขึ้นมาเจนิลเพชรของบุญคําจ้องการเคลื่อนไหวของเขาทุกระยะพออีกวาเดียวเขาจะเลี่ยงเข้าไปถึงปืนที่ตกอยู่นั้นมันกระโจมพรวดรวดเร็วปาล์มสายฟ้าแล็บเวยกระชากเบาหนีงห้านัดกระบอกนั้นออกมาผลการเอื้อมคว้าถึงของเขาอาการที่มันพรวดพลาดเข้ามาแย่งปืน ทำให้ระพินตกใจถึงกับพัง ห, หลังจำเบาลงกับพื้นไอ้ธรรมลชวยแย่งปืนไปได้ก็ยื่นหน้าเข้ามาแย่เคียวครูตะค้อเสียงดังสนั่นเหมือนจะบอกให้รู้ว่ามันเท่าทันลูกไม้ของเขาแล้วกระโดดโลดเต้นแกว่งปืนอยู่เป็นจักถันธรรมการเหมือนจะทุบฟาดลงกับพื้นอีกต้นอื่นก็เคลื่อนไหววิ่งวุ่นอย่างรวดเร็วทาเสียงโครกคราอือึง เพียงแต่ยังไม่ถึงกับเข้ามาทำร้ายเขาระพินนั่งจำเบาตะลึงงันไปชั่วพริบตาแล้วเขาก็พอจะเข้าใจอะไรได้ชัดเจนขึ้นถึงกับหัวเราะออกมาเบาๆด้วยความขบขันแท้จริงอาการจากที่เห็นนี้พิสูจน์ได้ชัดว่ามันจะต้องรู้ว่าวัตถุสิ่งนั้นสามารถเป็นภัยกรรมันอย่างร้ายแรงถ้าหากตกไปอยู่ในมือมนุษย์พอเห็นว่าเขาขยับจะปีหน้าตาหยิบขึ้นมาดื้อ มันก็เข้ามาฉวยแย่งไปซ ะ, ะมีหนังสั้นยังทำท่าขู่เห็นซะอีกว่ามันอาจจะทุบปนด้วยเมื่ อ, อไรก็ได้อ๊ออเองจะไม่ขายิีบปืนก็ได้เขาพูดบนหัวเราะกำลังใจดีขึ้นอย่างมากมายเมื่ออ่านเจตบนาของมันได้ถ่ายมือกว้างออกไปพร้อมกระยักไกยอย่างยอมจำนนนะว่าแต่พวกเองจะเอาอยัางไงกันแน่บอกมาสิ ยกพลมาล้อมยึบ ป, ปืนของพวกข่าไปหมดแบบนี้จะออยังไงเขาเริ่มถามออกไปเป็นการพูดกับตนเองเสียมากกว่าจะพูดกับมันจึงแน่ละภาษาคนกับภาษาลิงมันเป็นคนละภาษากันอยู่แล้วแล้วก็จริงดังว่าไอ้ธมพลใครเหล่านั้นไม่สนใจกระถ้อยคําที่หลุดปากออกมาอย่างไม่ตั้งใจของเขาถ้าจะรู้โดยสัญชาตญาณของมัน ก็รู้แต่เพียงว่ามนุษย์ตัวกระจ้อยร่อยที่ออกมาเผชิญหน้ากับมันด้วยอาการสงบเชิงจำนวนนี้ไม่มีทางจะมีพิษภัยอย่างใดต่อมันได้ทั้งสิ่งและพวกมันจะฉีกถึงขยี้เชเมื่อไรก็ย่อมทำได้เช่นกันมันตะคอกหลอกหลอนสําแดงอาการขู่ขวัญอยู่พักหนึ่งเจ้าตัวที่ฉวยปืนไปแว่งเล่นก็โยนปืนกระบอกนั้นส่งไปให้พวกมันต่อกันเป็นทอดๆ อ, อย่าหน้าวาดเสียว ว, ว่าปืนจะํารุดเสียหาย และที่สุดก็เวียงหายข้ามกองไฟออกไปจังพักพวกส่วนใหญ่ที่ล้อมแน่นอยู่ด้านนอกรพินถอนใจเฮือกเลยนั่งกอดเข่าอยู่กลางวงล้อมของมันทั้งหกตัวนั่นโดยไม่คิดจะเตรียมต่อสู้ระวังตัวอะไรดูมันไปตามเรื่องว่ามันจะทำยังไงกับเขามันเดินกันควักไข่รอบตัวเขาในระยะใกล้กว่าครั้งแรกเข้ามาชะโนกหน้าทําดิมๆ ม, มมอ ง, มอง เหมือนจะพิจารณาดูสัตว์ประหลาดของพวกมันครูใหญ่ทีเดียวที่จอมพรานสำรวมสมาธิเป็นอุเบกขาเพื่อจะดูท่าทีมันให้ถึงที่สุดคิดปรุงใช่ปะถ้ามันจะฆ่าเขาก็สุดแล้วตะเวนตะกรรมไม่คิดจะไประวังเตรียมต่อสู้หรือเอาตัวรอดอย่างใดทั้งสิน้นเพราะถึงยังไงฝ่ายของเขาทั้งหมดก็ตกเป็นรมามันทุกประตูอยู่แล้วก็นา่าอัศจรรย์ไปอีกขั้นนึง พอเห็นเขานั่งอย่างทอดอะไรมองมันเฉยๆไม่สนใจสะดุ้งสะเทือนว่ามันจะออกลิงออกข้างคุมคูยังไงบ้างพวกมันก็สงบอาการกันโชคคุกคามนั่นลกไม่สนใจกับเขาอีกเหมือนกันแต่กระจายกันเดินเพ่นพ่านไปรอบที่พักภายในเราก็เป็นถิ่นของมันเองบางตัวไปเดอมดอมมองมองอยู่ใกล้ๆ ก, กระท่อมที่พักซึ่งบัด น, นี้ปืนทุกระบอกยังจ้องระวังอยู่แต่คนหลังปากกระบอกเหล่านั้น กำลังพบกับความแปลกประหลาดใจไม่น้อยไปกว่าระพินเช่นกันบางตัวก็นั่งลงทำยุกยิกยุกยิกแกะเกาไปตามเนื้อตัวของมันเองตามธรรมชาติวิสัยของสัตว์ประเภทลิงจาตัวหัวหน้าปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนขอนไม้ใกล้กองไฟกองหนึง่งไม่ห่างจากเขานักหันหลังให้เขาอย่างไม่สนใจเขาให้ซะอีกเอื้อมมืออันใหญ่โตมาเกาหลังตัวเองดังควากควักนานสองนานก็เหลียวมาเริศหน้า ทำปากยื่นดูเขาสักทีหนึ่งระพินลุกขึ้นอีกครั้งเดินไปซื้ตัวลงนั่งบนขอนไม้อีกท่อนหนึ่งห่างจากไอ้จ่าฝูงตัวนั้นออกไปเล็กน้อยควกักก้นซิก้าออกมาจุดสูบกระพริบตาปริบ ป, ปริบมองหน้ามันอย่างงงงวยไอทาหารทันข้างของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์เบิดริมฝีปากหนาอวดเขี้ยวอันขางงทั้งสี่ข้างให้เขาดูซึ่งดูยังไงก็ดูไม่ออกว่าลักษณะนั้นเป็นอาการยิ้มของมัน แล้วหมุนตัวหันตะแคงข้างให้ขณะที่หันเบี่ยงข้างอย่างเสือก็ตีนตะกุยถีบดินทางเบื้องหลังงักเอาฝุ่นและสะเก็ดดินลูกรังใส่หน้าเขาซะอีกจนรพินต้องทงังงงะหลบเขาอยากจะลุกขึ้นเตะมันขให้สักพักแต่ก็ไม่กล้าลักษณะที่มันนั่งห่อตัวอยู่บนขอนไม้มองดูจากด้านข้างผับผคล้ายๆหมีควายไม่มีผิดละไม้ไปทางอุรังอุตังน่าจะอยู่ในขนาดชะกันทั้งนั้น พ็สังเกตดูหน้าตาของมันไม่เหี่ยวยน่นพิจัดไอ้ตัวที่เขายิงร่วงหล่นลงมาจากต้นกระบากเมื่อต้นตอนหัวขั้นท้องก็ไม่พลุยป่องจนหน้าเกรยดตรงข้ามที่หัวไหลและแผง อ, อกเป็นปั้นปั้นราวกะลูกมะพร้าวเข้าไปยัดไว้แสดงให้ทราบถึงพะละตํำลังโดยเฉพาะไอ้ตัวจ่าฝูงที่นั่งวางท่าอยู่ใกล้ๆเขาขณะนี้คานวณว่าน้าหนักตัวอยู่ระหว่างร้อยหสิบถึงร้อยแปดิกิโล ซึ่งแรงของมันจะต้องเป็นเจ็ดแปดเท่าของคนเป็นอย่างต่ำสามารถหักคอนักมวยปล้ำขนาดหนักของโลกได้ภายในพริบตาหรือต่อให้เสือใหญ่ขนาดแปดศอกมันก็คงจับสองขาหลังฝาดกับพื้นได้อย่างสบายสบายระหว่างที่ระพินนั่งใครครวนอยู่ก็ปรากฏเสียงฟ้าร้องคำรนอยู่เหนือสีสักพร้อมกับละอองฝนบางๆเริ่มชยมาลมเย็นเฉียบพัดแรงขึ้นทุกขณะ ันทีนั้นแสงไฟฉายดับเปิดในจังหวะที่ห่างสลับกันก็พุ่งเป็นสัญญาณมาที่เขานั่นคือรหัสสัญญาณติดต่อระบบมอสจากชายันซึ่งใช้ส่งความมาที่เขาแทนเสียงตะโกนพูดเพราะคงไม่ต้องการใช้เสียงกระโตกกระตากผิดปะกติออกไปอึดใจที่เขาผสมตัวอ่านได้ความว่ากลับเขาที่พักเร็วหาทางเลี่ยงมันมาให้ได้ อย่าให้มันไหวตัวเล่นงานเอาซะก่อนระพินทรงกายขึ้นยืนอย่างระมัดระวังขณะนั้นลมเริ่มพัดแรงยิ่งขึ้นฝนก็เริ่มจะหนาเม็ดสาดมากระทบใบไม้ในราวป่ารอบด้านดังกราวไปหมดลักษณะฝนไล่ช้างคำนวณว่าถ้าลมยังแรงอยู่เช่นนี้อาจทัดเมฆฝนผ่านไปตกบนยอดเขาไกลตกฎตการอันเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี้ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้น ในหมู่ของเจ้าธมลนไทยทั้งหลายพวกมันวิ่งเกี้ยวเจ้ากันสนันดงดูไม่ออกว่าจะเกิดความตื่นเต้นตยินดีกับฝนที่กําลังจะตกลงมาหรือว่าตื่นกลัวโดยเฉพาะไอ้ตัวใหญ่ๆที่เข้ามาเพ่นพ่านในกล้ชิดกับเขาอยู่ภายในบริเวณขณะนี้หุกเมนตีลังกาส่งเสียงกูร้องอยู่กึกก้องไปทั่วเจ้าตัวใหญ่จ่าฝูงที่นั่งอยู่บนขอนไม้เบื้องหนะ้ากระโจนพรวดไปลงคลานสีขาอยู่ใจกลางบริเวณ และเดินพลานอยู่ไปมาพวกมันทั้งหมดละความสนใจกับเขาโดยสิ้นเชิงกล่าวกันว่าเขาจะกลายเป็นส่วนประกอบธรรมดาส่วนหนึ่งของพวกมันไปเช่นั้นจอมพรานบังคับจิตใจให้มั่นคงแน่วแน่นึทถายไม่ถูกกิจเช่นกันว่าในการที่เขาจะเดินผ่านพวกมันเพื่อ ก, กลับเข้าไปในกระท่อมที่มัน่นตามที่พักพวกเรียกมาด้วยสัญญาณ น, นั้นจะได้รับการสนใจขัดขวางจากพวกมันหรือไม่ เพราะพวกมันกลุ่มนั้นหลายตัวเดินป่วนเปลี่ยนขวางอยู่เบื้องหน้าทิศทางของเขาซึ่งถ้าจะผ่านไปก็หมายถึงว่าต้องผ่านไปกลางกลุ่มของมันในระยะใกล้ชิดที่สุดรวมทั้งไอตัวจ่าฝูงซึ่งกำลังนุ่งงานอยู่ในขณะนี้ด้วยอย่างไรก็ตามเขาใช้หลักใจดีสู้เสือแบบเดิมคือเดินช้าๆปะกะติทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะหนึ่งจะถือว่าพวกมันก็เป็นธรรมดาพวกเดียว ก, กันกับเขาเช่นกัน เจียใกล้ผ่านไปกลางกลุ่มของพวกมันแล้วก็รู้สึกเย็นตั้งแต่เส้นผมลงไปจรดปลายเท้าอีกครั้งเมื่อเจ้าทหารพระรามตระกูลนิมเหล่านั้นหยุดเคลื่อนไหวพากันหันมาเริบหน้าจับจ้องสนใจเขาเป็นจุดหมายเดียวขณะที่มันเห็นเขาเดินตัดกลางวงมาเงียบเงียบตัวไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับไอ้นายฝูงตัวนั้นซึ่งแบบนี้ยืดกายขึ้นยืนจังก้า สองขาสูงพ้นศีรษะของเขาไปเกือบศอกเปิดรึงฝีปากบนขึ้นไปแปะปิดไว้กับจมูกอันแบนหน้าเกระยิบของมันทําให้มองเห็นฟันหน้าสะพึงกลัวแถบหน้าครบหมดทุกซี่พรานใหญ่เกือบจะชนะแต่แล้วก็กั้นใจเดินหลีกมันซะอย่างสงบเจ้านินเมืองขีดขินหมุนตัวหันมองตามเขาชนิดที่ไม่อาจจะอ่านความรู้สึกภายในหรือเดาจิตใจของมันได้ แต่ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวติดตามขัดขวางหรือจู่โจมเข้าใส่อย่างใดทั้งสิน้จนจึงกระทั่งระพินผ่านพวกมันทุกตัวที่กำลังเฝ้าจับมองอยู่มาถึงปากกระทร่อมก่อนที่จะคลานเข้ากระท่อมไปเขายังซุดตัวลงนั่งดูมันอีกพักหนึ่งด้วยกำลังใจและความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปีย่ยมต่อสถานการณ์ซึ่งมองเห็นช่องทางที่ดีขึ้น คนในกระท่อมบัดนี้มีสีหน้าต่างๆกันแต่ก็อยู่ในความหมายเดียวกันหมดคืออัศจรรย์ใจขีดสุดจากพฤติการที่แลเห็นต่อหน้าต่อตาคนเหล่านั้นมึนงงซะจนพูดอะไรไม่ออกในปรากฏการพิศดารซึ่งแทบจะเชื่อเสียไม่ได้รบพินนี่พวกเราไม่ได้ฝันไปนะคุณคุณออกไปประจันหน้ารวมกลุ่มอยู่กับพวกมันได้ยังเดินกลับก็ามาหาพวกเราได้นี่ โดยไม่เกิดอะไรขึ้นสักอย่างเดียวมันเป็นไปได้ยังไงเชษาจับแขนเขาไว้บีบแน่นจ้องหน้าขมิงนายน่ะมีดีอยู่กระตัวบุญคำรู้มานานแล้วแต่ไม่รู้ว่านายมีอะไรดีอยู่เท่านั้นบางทีอาจจะเป็นเพราะของที่อาจารย์ลงไว้ให้ในตัวนายก็ได้ตาเท่าบุญคำพึมพำอย่างตื่นตะลึงตัวแกเองยังสั่นเทาอยู่จนบัดนี้นับตั้งแต่เห็นเจ้านาย เดินเข้าไปประจันหน้ากับไอ้ทธมลดำขนาดใหญ่เหล่านั้นพรานใหญ่ไม่สนใจกระสายตาของทุกคนที่แลจับมาที่เขาเป็นเป้าหมายเดียวด้วยความแปลกใจขีดสุดเหล่านั้นเอ่ยขึ้นแผวเบากับกลุ่มนายจ้างของเขาว่าพวกมันไม่ได้มีเจตนาที่จะมาฆ่าหรือมาร้ายกับเราหรอกครับขอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราอย่าแสดงว่าหวาดกลัวตื่นตกใจหรือทําร้ายมันเข้าก่อน ขณะนี่พวกมันเพียงแต่เข้ายึดครองและควบคุมบริเวณที่พักของเราเท่านั้นนะครับรูปการที่พวกเราทุกคนเห็นมันก็น่าจะเป็นอย่างที่คุณพูดนั่นแหละพวกเราหัวใจเกือบจะหยุดเต้นนะขณะที่คุณเดินก็ไปอยู่กลางวงล้อมของมันไม่คิดว่ามันจะไม่ทําอะไรคุณเลยมีน้าซ้ํำยังปล่อยให้คุณเดินกลับเข้ามาในกระท่อมนี้ได้ใช่อีกถ้ามันไม่คิดจะมาโจมตีแก้แค้นเรามันก็น่าจะมีจุดประสงค์อะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอน เช ย, ยันพูดด้วยเสียงที่ระงับอารมณ์ตื่นไว้ไม่ได้ครับมันต้องมีประสงค์อะไรแน่พี่แต่เรายังไม่อาจเข้าใจมันได้เท่านั้นขณะที่ผมออกไปเผชิญหน้ากับพวกมันเมื่อครู่นี้<อ>ก็พอจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจ้องระวังดูท่าทีว่าผมจะออกไปทำร้ายมันหรือไม่เท่านั้นเมื่อรู้แน่ว่าผมไม่เป็นพิษเป็นภยัยรือมีปัญญาจะไปตอกออะไรกับมันได้มันก็ไม่ทาอะไรผมเหมือนกัน แต่วางท่าเห็นชัดว่ามันยึดครองบริเวณของเราไว้หมดทุกประตูแล้วไตัวที่แย่งปืนกับผมนั่นแหละครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวจ่าฝูงมีอานาจมากที่สุดของพวกมันทั้งหมดที่แห่มาล้อมเราอยู่ไว้พวกเราเห็นเหตุการณ์โดยตลอดทุกระยะแล้วละ่ะลักษณะของมันนะ่ะโอหังวางอํานาจมากทําร้ายก็พวกเราทุกคนนะ่ะยอมจำนนไม่มีทางจะต่อสู้มันได้อีกแล้วแล้วถ้าฮึดสู้เมื่อไหร่ ก็จะฆ่าเราให้ตายให้หมดทีเดียวดารินพูดเดยเร็วเสียงสั่นไม่วายมองลอดช่องโหวออกไปจับสังเกตฝูงไอ้ธรร ม, มนไพรที่พล่านกันอยู่ทั่วบริเวณอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความตื่นงงอัศจรรย์บัดนี้ทุกคนเริ่มมีกำลังใจและขวัญดีขึ้นอย่างมากมายจากพฤติการที่เห็นมันเป็นเหตุการณ์ที่ผันแปรผิดจากที่คาดคิดไวจนเดาล่วงหน้าไม่ถูก บางทีอาจไม่มีการเสียเลือดเนื้อขึ้นก็ได้ทั้งฝ่ายมนุษย์และฝ่ายกองทัพธรมนเหล่านั้นถ้าหากสามารถทำความเข้าใจอะไรกันได้จะตีความหมายว่ายังไงนี่นี่พวกเราทั้งหมดตกเป็นเฉลยอยู่ภายใต้การควบคุมของมันเชแล้วเหรอและเพื่ออะไรมันจะดำเนินกลางกับเราต่อไปยังไงถ้าไม่ใช่เพื่อยกพวกมาหมายจะฆ่าเราเส ห, หมดอย่างที่เราเข้าใจแต่แรกมาเรียเปยขึ้น ยังไม่ยอมวางใจต่อสถานการณ์อันแปลกประหลาดพิสดารเป็นติดศนานี้มันขโมยปัดใจทั้งหมดไปแล้วต่อมาก็ยกพลมาล้อมบุกเข้ามายึดบริเวณจนถึงตัวเราโดยทิ้งกระท่อมไว้ให้เป็นที่รวมกลุ่มพักอาศัยเท่านั้นไม่ทำอันตรายฝ่ายคนของเราเลยไม่เห็นว่าไม่ต่อสู้ดารินรีตาลงพึมําเหมือนจะกล่าวกับตนเอง ใช่แล้วนี่น่าจะมีปัญหาอื่นใดให้คิดอีกนอกจากสรุปได้ยอย่างเดียวว่ามันต้องการให้พวกเรายอมจำนวนโดยดีมันต้องการให้เรายอมแพ้ยอมแพ้ลิงอันเป็นสัตว์ในราชายน่ะเหรอชา ย, ยันร้องลืมตาโลงขึ้นต่างนิ่งเงียบกันไปชั่วขณะบัดนี้ฝนกระหนำลงมาหนาเม็ดขึ้นทุกที พายุก็ยังพัดอื้อๆทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ก, การคาดคะเนไว้ล่วงหน้าของกลุ่มพลานพื้นเมืองแม่นยำที่สุดฝนตกใหญ่ในคืนนี้จริงๆกองไฟที่ก่อไว้ถูกสายฝนที่โปรยพรมลงมาค่อยค่อยรีเปลวและทำท่าว่าจะมอดดับไปทีละกองสองกองความมืดมนเริ่มย่างกลายเข้ามาครอบงำบริเวณว้ดุดม่านสีดาที่โรยลงมาขึงกับ เศษกิ่งและใบไม้ปลูกระเจิงตลบอบอวนไปหมดกระท่อมที่พักซึ่งเตรียมปลูกสร้างกันไว้เผื่อสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างแข็งแรงพอสมควรช่วยเป็นที่หลบพักฝนและพายุแก่ฝ่ายมนุษย์ทั้ง12ชีวิตได้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเกิดพายุหมุนแรงขึ้นกว่านี้กระท่อมปลูกคล่อมดินหลังนั้นจะทนทานต่อไปได้นานสักเท่าใด เสียงเจียวเจ้าของไอ้ธโมลจำนวนมากมายเหล่านั้นเงียบหายไปแล้วคงได้ยินแต่ฝนและพายุอันกระนำป่าอื้ออึงอยู่ในขณะนี้เท่านั้นระพินชใช้ไฟฉายสาดลอดปากประตูกระท่อมออกไปตรวจ ด, ดูท่ามกลางละอองน้ำสีขาวมัวที่ปกคลุมเป็นม่านควันฟ้องอยู่ทั่วไปนั้นไฟฉายจากแบตเตอรี่แห้งแปดท่อนตัดแบบเป็นลำพวยพุ่งออกไปบริเวณภายในที่พัก ซึ่งเคยมีบรรดาหัวหน้าฝูงเข้ามาเพ่นพ่านอยู่บัดนี้ว่างเปล่าครั้งแรกเขานึกว่าพวกมันคงจะเคลื่อน พ, นพลแลัะถอยไปแล้วกระมังแต่เมื่อกลาดไฟสังเกตอย่างทีท้วนไปรอบๆในรัศมีที่ห่างออกไปอีกก็พบว่าไอ้เจ้าพวกทหารพ ร, รามเหล่านั้นไม่ได้แผละถอยไปไหนไกลเลยเพียงแต่เพ่นออกนอกบริเวณซึ่งกั้นเขตไว้ด้วยกองไฟไปพากันนั่งเจ้ายึดโคนไม้ใหญ่ หอตัวนิ่งหลบฝนกันอยู่และเป็นเงาตะคุ้มตะคุมะค่มเต็มไปหมดหลายต่อหลายตัวปฏิหารขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นไม้รอบด้านสงบนิ่งไม่ทำเสียงอื้ออึงใดๆขึ้นอีกทั้งสิ่งในความเงียบนั้นสิงห์เชิากล่าวขึ้นอย่งางใตรองหนักว่ะชยัดแกพูดว่าเราจะยอมแพ้ลิงอันเป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะเหรอเราต้องมาพิจารณากันให้รอบคอบด้วยวา เราสูญเสียหรือได้อะไรขึ้นมาบ้างจากการหวังในด้านแพ้หรือชนะนั้นเราไม่ได้มีเจตนาอะไรที่จะทำสงครามสู้รบตบมือกับมันเลยนะถ้าจำเป็นขีดสุดก็จะทำเพียงในความหมายป้องกันตัวและข้าของจำเป็นของเราเท่านั้นมันไม่ใช่วิสัยที่เราจะมาเอาชั้นเอาเชิงอะไรอยู่เกี่ยวกับคำว่าแพ้หรือชนะจะถือว่าพวกเราแพ้มันก็ได้แต่ขอให้ชีวิตของเราทุกคนรอดปลอดภัย ได้สัมภาระเข้าของเรากลับคืนมาทุกชิ้นรวมทั้งเดินทางต่อไปได้ตามแผนเดิมคุณคิดอย่างนั้นไหมระบผิดแน่นอนครับแต่รูปการมันจะลงเอยยังไงนะผมก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันนี่เงาายแกไม่มีสัญชาตญาณอย่างรู้บ้างทีเดียวเหรอว่ามันต้องการอะไรจากพวกเราถ้าผู้กองไม่รู้เงาทายก็ยากที่จะรู้ได้นะครับเจ้าคนลึกลับเว้นระยะไปครู่ เอ่ยต่อมาด้วยเสียงแผ่วเบาว่าผิดหรือถูกแง่ายไม่อาจยืนยันรับรองได้นะครับแต่อยากจะคิดว่าพวกเราทุกคนเผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งเดียวกับที่อาจารย์ของแง่ายเคยบอกไว้อะไรทุกคนไหวตัวมนุษย์วานอนครับมนุษย์วานอนที่อาศัยสิงสู่อยู่ตามแถบใกล้เคียงตีนของประสิวะมนุษย์วานอน ทั้งหมดอุฐานลั่นและก่อนที่ใครจะชิงกันแสดงข้อสงสัยขึ้นเช่นไรท่านหัวหน้าคณะก็ยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้อยู่ในความสงบแล้วเอ่ยถามมาเรียบบว่าในอธิบายให้ชัดสิแง่ท า, ายในสิ่งที่พระธุดงอาจารย์ของแกเคยบอกหรือเล่าอะไรไว้ให้ฟังเกี่ยวกับคำว่ามนุษย์วานนที่แกพูดเส้นทางใดก็ตามที่มนุษย์ใดบุกบ บ่ายหน้ามาเสียงเช่มช้าแผ่วเบาอยู่ในกระแสเดิมของแง่ทรายได้ยินไปทั่วทุกคนที่เงียหูคอยสะดับอยู่อย่างตั้ง อ, อกตั้งใจเพื่อจะเข้าให้ถึงเทือกพระศิวะปากทาวารแห่มงมรกตนครอันเป็นดินแดนที่ถูกปิดบังอยู่ด้วยมนของเทพเจ้ามาดว่าผ่านพบสิ่งมีชีพประหลาดชนิดหนึ่งลักษณะภายนอกเป็นลิงใหญ่ ขนสีดำสนิทปราศจากหางอาศัยเป็นชมรมหมู่คณะอยู่ตามถ้ำหินตามเชิงเขามีอำนาจด้วยความฉลาดเหนือกว่าดิเราชานสัตว์ป่าทั้งปวงความรู้สึกนึกคิดและมันสมองในร้อยส่วนเต็มแบ่งเป็นดิเราชานประเภทลิงสิบเจ็ห้าส่วนอีกยี่สิบห้าส่วนเป็นคุณสมบัติของมนุษย์มีภาษาแน่นอนที่ใช้ติดต่อระหว่างพวกกันเองได้ รู้จักใช้ประโยชน์ของไฟก็จงแน่ใจถึดว่าเส้นทางที่ผ่านมานี้เป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วให้บ่ายหน้าขึ้นตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางเดินอีกไม่เกินแปดวันจะถึงยอดสูงสุดของเทือกพระศิวะครับนี่คือถ้อยคำที่หลวงปู่อาจารย์ของผมท่านกำหนดบอกไว้สิ่งที่ผ่านออกมาจากคาบอกเล่านั้นสร้างความตื่นตะลึง กันไปหมดเสียงดารินครางอะไรออกมาคำหนึ่งในลำคอนอกนั้นเงียบงันกันไปพักใหญ่ทีเดียวแบ้แต่นั่งทรงกายมองตรงหน้ากันเองในความมืดอาจารย์ของเกย์ให้รายละเอียดอะไรมากกว่านี้ไหมเกี่ยวกับธรรมชาติของการเป็นอยู่หรืออุปนิสัยใจคอของมนุษย์วนอนที่ว่านี่เน่ท่านหัวหน้าคณะสอบถามอย่างสงบเนสไยสันหน้าแช่ ท่านบอกไว้เพียงแค่นี้ครับในายใหญ่แงซสายก็บอกแล้วว่ายังไม่แน่ใจว่ากองทัพลิงดำที่ยกมาล้อมยึดครองที่พักของเราอยู่ในขณะนี้จะเป็นมนุษย์วานอนตามที่หลวงปู่กล่าวถึงใช่หรือไม่เป็นลิงเสเจ็ดสิบห้าเปเซ็นเป็นคนยี่สิบห้าปรเซ็นตรู้จักใช้ประโยชน์จากไฟอืม เพื่อถาทวนคำพร้อมกับจับปลายคางคิดรีตาคิดหนักคุณสมบัติเท่าที่แงซายบอกมานี่มันก็น่าจะตรงกันกับที่เราสังเกตเห็นได้จากไอ้พวกทรมนเหล่านี้อยู่แล้วหรือยังไงพวกก็ก็เข้าข้าวมากทีเดียวล้วครับถ้าแงซายไม่เล่นตลกผูกเรื่องขึ้นมาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เราพบเห็นอยู่นี่เดี๋ยวก่อนดพิน ดารินพูดมาโดยเร็วเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้คุณพอจะนึกออกบ้างไหมในลายแทงฉบับมังมหานราธาเอ่ยอ้างอะไรไว้ถึงมนุษย์วานอนที่แงซายพูดถึงนี่บ้างหรือเปล่าจอมพรานขมวดคิ้วกัดริมฝีปากพยายามนึกทบทวนแผนที่ลายแทงที่แทบจะหลับตามองได้หมดทุกเส้นทางอันเนื่องจากศึกษาซะจนคุณตาเข้าสมอง ในแผนที่ลายแทงไม่ได้บอกถึงสัตว์ชนิดใดทั้งสิ้นเป็นแต่ระบุเฉพาะสถานที่เท่านั้นแต่เดี๋ยวครับเสียงประโยคหลังของเขาแสดงอาการตื่นเต้นขึ้นมาจากสภาพมึนงงแต่เดิมใช้นิ้วจี้ที่ขมับของตนเองชักเข้าเขาจริงอย่างที่คุณชายว่าซะแล้วครับผมพอจะจำได้ว่า บริเวณที่เราเดินผ่านและที่ตั้งแคมป์พักกันอยู่นี่ในแผนที่ระบุไว้ว่ามูเขานินหลักการอันหมายถึงภูเขาที่มีก้อนหินสีดำแต่แรกนะผมคิดว่ามันน่าจะหมายถึงแร่ประเภทนินตะบนอยู่มากตามภูเขาเตตเตียที่มีลักษณะเป็นเนินอยู่หลายรอยยอดเหล่านี้แต่เมื่อมาฟังคำบอกเล่าของแมนซายประกอบข้ามันก็น่าจะเป็นพิน รีดแดนของเจ้าพวกลิงดำพวกนี้นั่นเองในชีวิตของผมก็ยังไม่เคยพบนะครับว่ามีสัตว์ป่าชนิดใดแม้กระทั่งลิงพันธ์ที่ฉลาดที่สุดจะกล้าเล่นกับไฟได้แต่ไอ้พวกนี้ถึงกระดึงดุนฟืนติดไฟออกมาถือแกวงเล่นได้เรากัะคนมันก็น่าจะเป็นมนุษย์วานอนจริงอย่างที่นายสายพูดเหมือนกันตายแล้วว้าอาดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องขึ้นดังๆ พวกเราเห็นจ้าหลงของนนครขีดขินของไอ้พวกทหารทารามในเรื่องรา ม, มัดเกียนจริงอย่างตาบุญคําว่าซะแล้วถ้่ลิงก็รู้ไปสิว่าลิงจะเลยเพื่อคนก็มันเป็นคนชัดๆออกไปยังพอมีทางแก้ไขกันได้บ้างไอ้ครึ่งลิงครึ่งคนนี่ถ้ามันจะยุ่งซะแล้วอะไรก็ช่างเถอะหวังว่ามันคงไม่จับพวกเราไปใสก่กรงเพื่อออกงานเกสตสตคนข้าดูพวกมันกันเองหรอกนะหรือไมมก็เอาเราไปเลี้ยงว่าในสวนสัตว์ของมัน นี่หยุดพัวเป็นเล่นนาทีเชยยันดารินหันไปตวาดเบาๆอย่างหงุดหงิดขัดใจที่เห็นเพื่อนชายออกจากฟุ้มเฟืออารมณ์ขันไม่เลือกสถานการณ์นี่แทนที่จะช่วยกันคิดแก้ไขหรือเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่เรายังเดาไม่ถูกว่ามันจะมาในรูปใดกลับเห็นเป็นเรื่องเล่นไปสมุดมันมีใครขันกระเ้วดาในสถานการณ์อย่างเงี้ยชยันหัวรอเฮยักไหล จะคิดยังไงก็ค like ิดกันได้เพียงแค่หดหัวสุงกันอยู่ในกระถ่มแคบแคบที่มันกําหนดให้เราอยู่นี่แหละแล้วก็รอเวลาให้มันเป้าถาวนมามัดลากตัวเราไปถ้ามิฉะนั้นก็ยิงมันจนหมดกระสุนทั้งเก้าสิบนัดที่เหลืออยู่หลังจากนั้นก็นอนรอให้มันควักตับไตไส้พุงออกมาลูกปืนของเราไม่พอกับจานวนกองทัพของมันหรอกฮุบปาสักทีได้ไหมนักมนุษยวิทยาแผดเสียงแหลมลั่นอย่างโมโหเต็มที่ ชยันไม่โตอตอบริอยั่วโทระอะไรอีกเคลื่อนถอยห่างออกไปจากการนั่งจับกลุ่มรวมหัวทอดกายลงนอนเหยียดยาวอ่อนเปรียปร๊ยะพรีแรงเหมือนจะทอดอะไรไม่สนใจอีนังขังขอบต่อเหตุการณ์ใดๆอีกอย่าเพิ่งคิดอะไรในขณะที่เรายังคิดไม่ออกเลยครับในที่สุดรพินไทยวันก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแก่คณะนายจ้างผู้กาลังอยู่ในภาวะวิตกกังวลของเขาทุกคน กระแสสำเนียงนั้นปลอบใจพักผ่อนเอาแรงกันดีกว่าครับผมรับรองว่าตลอดทั้งคืนนี้มันจะไม่บุกเข้ามาทำอันตรายอะไรกับพวกเรายัางเด็ดขาดเอาไวต้ตะวันขึ้นพรุ่งนี้ค่อยดูท่าทีมันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอะตกลลงนอนก็นอนเพราะถึงยังไงเราก็คงไม่สามารถจะทำอะไรให้ดีไปกว่านี้ได้แล้วเชิฐาเห็นด้วยแผนใหญ่สั่งคนของเขาทั้งหมด ที่นั่งจับกลุ่มกอดเข่ากันอยู่ทางซีกหนึ่งของกระท่อมให้นอนพักทันทีคนเหล่านั้นก็ว่าง่ายดีเหมือนกันพากันล้มตัวลงนอนเหยียดยาวเบียดรวมหมูแบ่งเขตซีกหนึ่งของบริเวณกระท่อมไม่มีใครพูดหรือแสดงวิตกวิจารณใดๆอีกแง่าสายลาดกองหนามหวายอันใช้แทนประตูเข้ามากัน้นขวางปากทางไวมัดสายเถาวันที่โยงติดอยู่กับกองหนามนั้น ผูกไว้กระเสากระท่อมอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้กำลังจากภายนอกฉุดดึงออกไปได้ง่ายๆแล้วทอดกายลงนอนขวางปากทางไว้พรานใหญ่นอนกลับศีรษะสวนทางกับแงซทรายไปอีกด้านหนึ่งเป็นคนพัดมาต่อไปก็เป็นเชษฐาดารินตามลำดับส่วนมาเรียคลานไปล้มตัวนอนแย่ต่างหากออกไปอีกมุมหนึ่งเพื่อคุมสถานการณ์ทางด้านของพวกพรพื้นเมือง ซึ่งปราศจากอาวุธในกรณีที่หาดไอ้ธโมนจะรื้อผนังสะหนามทางด้านนั้นออกขณะนี้ทุกขนทุกแห่งมืดมิดจนมองอะไรไม่เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในที่จำกัดของบริเวณกระท่อมที่พักฝ่ายมนุษย์กองไฟเบื้องนอกถูกฝนเปียกและดับสนิทลงหมดแล้วทุกกองคงได้ยินแต่เสียงพายุฝนและต้นไม้ที่ไหวเอง็งลู่ลมอยู่อึงคนึง ทั่วตาเท่านั้นแม่สามนอนงายเอาท่อนแขนหนุนศีรษะลืมตาพโพลงอยู่ในความมืดภายหลังจากเสียงพูดปรึกษาหารือในกระท่อมเงียบหายไปครู่ใหญ่แสดงว่าทุกคนคงจะเข้าพวังนิทรากันหมดหลนก็รู้สึกว่ามีร่างอุ่นๆของใครคนหนึ่งเบียดเข้ามาชิดทางด้านซ้ายพร้อมกับขาและแขนที่ปลายขึ้นมาเกยอยู่บนลำตัวอย่างแผ่วเบา เพราะขยับไหวตัวอย่างตกใจก็เลยถูกกอดไว้แน่นมีน้ำซ้ำริมฝีปากและจมูกของผู้จูโจมในความมืดอย่างแนบเข้ามาเคลียใครอยู่ที่พวงแก้มและริมซอกขูใครเล่าที่จะอ้อนออดอ้อ น, ออนวอนวหลลอนเช่นนี้ในทุกๆครั้งเท่าที่จะหาโอกาสได้ถ้าไม่ใช่ใชยันะเพสหล่อนกระซิบเบาที่สุดจับข้อมือข้างนั้นไว้แน่น ตรึงให้หยุดนิ่งกลับที่คิดถ็งคุณเหลือเกินแม่เต็มกันทีเดียวนันเนี่ยฉันรู้และเห็นใจแต่ควรจะมีเหตุผลบ้างไม่ใช่เหรอแต่หาช่วยผมสักนิดได้ไหมยังไงก็อย่างที่คุณเคยช่วยครั้งแรกไงอยากจะช่วยแต่นลำปากเหลือเกินพวกเราคนใดคนหนึ่ง อาจใช้ไฟขึ้นสถานการณ์มันไม่เหมาะเลยนะช ย, ยันทุกคนถนอมไฟฉายถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่มีใครใช้มันเลยช ย, ยันถ้าคุณเชื่อฉันบ้างคุณจะน่ารักกว่านี้นะช ย, ยันถอนใจยาวเอาละผมจะเชื่อคุณถอนตัวจากอาการกอดรัดอย่างแน่นกระชับนั้นมาเป็นนอนเคียง ไลชิดขนาดไลลเบียดมาเรียเอียงหน้ามากระซิบที่หูว่าขอบคุณฉันจะไม่ขัดใจคุณเลยถ้ามีโอกาสเราจะเอาอารมณ์ที่ไหนมาคิดถึงเรื่องนี้่ะคุณในสถานการณ์อย่างนี้เม่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนต่อให้กำลังจะตายถ้าอยู่ในความมืดและเงียบเมืเม่อ น, นั้น ผมระลึกถึงคุณอย่างจับใจทุกครั้งบางทีจะเป็นเพราะคุณเคยนำแนวทางให้ผมไว้ก่อนฉันรู้ตัวมานานแล้วว่าฉันเล็วมากในเรื่องนี้ตามจริงฮะหายโกรธผมไหมยังที่ผมทำร้ายคุณอย่างชั่วชาติที่สุดคืนนั้นนะมาเรวางมือลงบนฝ่ามือของเขาแล้วบีบกระชับแน่น ฉันรู้ว่าคุณรักฉันจริงๆชยันและฉันโกรธคนที่รักฉันไม่ลงหรอกแม้ว่าเขาคนนั้นจะฆ่าฉันก็ตามก็แล้วทำไมคุณไม่รักผมบ้างล่ะแม่สาวเลือดผสมเยอรมันผสมฝรั่งเศสยิ้มเศร้าๆในความมึดบีบมือเขาอีกครั้งฉันจะพยายามชยัน ยังไม่เปลี่ยนความตั้งใจเรานอนหลับกันถึงทั้งสองเข้าใจกันได้ง่ายงา่ายแล้วต่างก็หลับไประพินไพยวันกับการว้ก็ไม่ผิดไปอีกเช่นกันอันเนื่องมาจากที่พายุแรงฝนจึงกระนำหนักอยู่ไม่นานนักล่มบนพัดเมฆกระจายแผ่ไปทางด้านใต้ของเนินเขาที่พัดในรัศมีกว้างไกลดังนั้นเวลาประมาณสองนาฬิกาของวันใหม่ ปล่อยฝนที่เบาบางลงเป็นลำดับจึงหยุดสนิทมีแต่หยาดน้ำที่เกาะค้างอยู่บนกิ่งไม้ถูกลมดึกพัดหวนมาคลางคลาาสลับร่วงกราวลงกับพื้นลำห้วยใต้เนินต่ำลงไปสายน้ำไหลผ่านแง่หินดังอยู่ริกริกพรานใหญ่หลับๆตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลารู้สึกตัวสะดึง้งตื่นขึ้นมาครั้งไร ก็เงี่หูนอนฟังเสียงแปลกปลอมใดๆที่จะแววผิดปกติขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบเงียบเชียบไปหมดดูราวกับว่ากองทัพทรมน์เหล่านั้นจะเคลื่อนพลหายไปพร้อมๆกับพายุฝนที่ขาดสนิทไปฉะนั้นสำนสเนียงของจัตุบทวิบาทอื่นๆอันเป็นรอยหยุกขาดเกลื่อนเมื่อตอนเย็นก่อนวางแคมป์พักล่าก็ไม่ปรากฏขึ้นเลยพวกมันอันมีหลักฐานบอกให้ทราบชัดว่าชุกชุม แทบจะเรียกได้ว่าเหมือนเขาเติดเปียดแถบนี้จะเป็นแหล่งเลี้ยงปัสสุสักมาคืนนี้ดูราวกับว่าพวกมันย้ายถิ่นหากินเร้นตัวหลีกหายกันไปหมดสิน้นเป็นที่ผิดสังเกตไปซึ่งก็คงจะเป็นเพราะกลิ่นไอของเจ้าพวกธมพลไพรที่ยกขโยงกันมาเป็นกองทัพนั่นเองเชษฐารู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเอื้อมมือมาส ก, กิดเขาเมรพินส่งสัญญาณ โดยการสัมผัส ต, ตอบจึงบอกให้ทราบว่าเขาก็ตื่นอยู่เช่นนั้นท่านหัวหน้าคณะจึงกระซิบแผ่วบอกคล้ใๆมันจะไปกันหมดแล้วนะรพินจย่เพิ่งไว้ใจครับมันอาจจะล้อมสงบอยู่ก็ได้นะครับท่านหัวหน้าคณะยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูจากลายน้ำลองออกไปใช้ไฟดูไหมไม่มีประโยชน์อกครับคุณชายสีเวลาแล้วก็ เปืองฐานไฟฉายปล่าถึงยังไงเราก็ยังไม่อาจตัดสินใจทําอะไรลงไปได้ในคืนนี้เราครับจนกว่าจะรุ่งเช้ามันเปิดโอกาสให้เราได้นอนพักผ่อนกันในกระท่อมนี่โดยไม่เข้ามาราวีรังควานก็ทับปอัดีที่สุดแล้วนะครับเชิดถาถอนใจเบาๆพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเดาไม่ถูกจริงๆนะว่าไอ้ลิงพวกนี้มันจะดำเนินการยังไงกับเราเราจะไปถือเหตุผลอะไรกัตริย์ไม่ได้ทั้งสิ้น ลักษณะของพวกมันเท่าที่ผมสังเกตมันเป็นเจ้าพวกดุร้ายและสุกซนจริงอยู่ในช่วงโมงนี้นาทีนี้มันอาจยังไม่ทําอะไรเราก่อนปุ่นเปลี่ยนเข้ามา ท, ทําทีเป็นใกลใ้ชิดคุ้นเคยด้วยแต่อาจมีสักเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ที่มันเกิดมันเขี้ยวลงมาเล่นงานและถ้าตัวเดียวเท่านั้นที่นําขึ้นก่อนพวกมันก็คงจะรุมเข้ามาทั้งหมดทางฝ่ายเราก็เหมือนกันคนใดคนหนึ่งเกิดตกอยู่ในอันตารายเราก็ต้องช่วยกัน ผมกลัวว่าเราจะหลีกเหตุการณ์ตะลุมบอลไปไม่ได้ผมก็คำนึงถึงอยู่ในข้อนี้แหละครับคุณชัยระพิดถมจริงนะคุณมีแผนไว้ยังไงอะสมมุติว่าตะวันพรุ่งนี้แล้วเราก็ยังเห็นมันล้อมที่พักเราหน า, นานแน่นอยู่ตามเดิมแบบเนี้ยไม่กลายเป็นว่าเราถูกมันปิดล้อมอดตายกันอยู่ในนี้หมดเลยมันอาจไม่ทําอะไรเราเลยเพี่แต่ยกพลมันล้อมอยู่เฉยๆกานที่เราออกไปจากที่นี่ก็ได้เท่านั้น ผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันครับพานใหญ่บอกตามตรงอย่างหนักใจเวลาและเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเรกควรจะทํำยังไงบ้างเพื่อดีที่สุดแต่ถึงยังไงผมก็ตั้งใจอย่างเด็ดขาดนะครับที่จะหาทางเอาของของเรากลับคืนมาให้ได้และหลีกพ้นผ่านพวกมันไปให้ได้ด้วยโดยไม่เกิดอันตรายขึ้นแก่พวกเราคนใดคนหนึ่งจะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมขอฝากการตัดสินใจทางด้านฝ่ายของคุณชายไว้ด้วยนะครับหูตาของผมเองอาจระวังดูไม่ทันสมมติว่าวิกฤตการณ์สุดยอดมาถึงเมื่อไหร่ที่คุณชายพิจารณาเห็นว่าจะต้องยิงมาแน่แน่ก็ขอให้คุณชายออกคำสั่งด้วยที่ควรจะระวังให้มากที่สุดเป็นอันดับแรกก็คือคุณหญิงถัดมาก็คือคุณชา ย, ยันทั้งสองคนนะ่ะอาจตัดสินใจเร็วเกินกว่าที่ควรก็ได้ส่วนเมแงซายหรือคุณชายเองน่ะ ผมไม่หวงแล้วครับในเรื่องนี้เอาละเอาละผมรับที่จะคอยคุมระวังสองคนนั่นไว้เองให้ตายเถอะไอ้ยักษ์ไทรัน่นตัวเท่าภูเขาจะอีกยังไม่ทำให้เราต้องเดือดร้อนยุ่งยากเท่ากับไอ้ลิงวายร้ายพวกนี้มันทำให้ผมหวนึกไปถึงสมัยที่เราเคยประจันบานกับไอ้ฝูงลิงกังตอนเริ่ม อ, ออกเดินทางระยะตน้นตอนนั้นปืนกระสุนและคนของเราพร้อมกว่านี้หลายเท่า แล้วเจ้าลิงพวกนั้นก็เป็นลิงตัวเล็กๆ เ, เท่านั้นพวกเรายังเกือบแย่ไปตามๆกันลิงกลงพวกนั้นน่ะเทียบกับเจ้าทำโมนพวกนี้ได้เมื่อไรยี่สิบตัวยังไม่ลงตัวนึงเลยความฉลาดเล่ห์เหลี่ยมก็ผิดกันมากร้ายที่สุดก็ตอนที่มันดอดมาขโมยยึดเอาระเบิดของเราไปซะก่อนตัดกำลังเราหมดทุกทางเลยตาบจบเฉถาก็หัวเราะฮือๆอย่างปรงอนิจจังทุเรศต่อสถานกา แต่ผมเชื่อว่าปลอยพวกมันฉลาดสักแค่ไหนก็คงไม่ฉลาดเกินกว่าสมองมนุษย์อย่างเราไปได้สครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เห็นจะต้องใช้วิธีใจดีสู้เสือะครับอย่างที่คุณทดลองมาแล้วน่ะเหลยรพินก็คงต้องทํานองนั้นแหะครับพวกเราทั้งหมดจะต้องไม่แสดงว่าเกรงกลัวมันไม่ตื่นตกใจด้วยไม่ว่ามันจะสําแดงอาการข่มขู่ยังไงทันทีเป็นเห็นว่าพวกมันนั้นไม่มีความหมาย เกินไปกว่านกหนูตัวเล็กๆที่แวดล้อมรอบตัวเราอยู่ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมระวังตัวพร้อมไว้ทุกขณะ ด, ด้วยนี่เป็นแต่เพียงแผนขั้นต้นเท่านั้นนะครับต่อไปก็แล้วแต่เหตุการณ์เฉพาะหน้าพรุ่งนี้พอตะ ว, วันขึ้นพวกเราทั้งหมดจะออกจากกระท่อมที่พักนี่โดยปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะดูซิว่ามันมีการเคลื่อนไหวยังไงพถ้าสมมติว่ามันบุกกข า, าแย่งปืน ถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาครับถ้ากำแหงเขาแย่งตืนะ้เนอาเมื่อไหรก็ยิงเมื่อนั้นเพราะมันเลี้ยงไม่ได้แล้วนี่ถึงยังไงเราก็ไม่ยอมให้มันปลดอาวุธเป็นแน่รพินกล่าวพร้อมกับหัวเราะนี่คุณคิดถึงเรื่องอํานาจลึกลับบางชนิดของพวกมันบ้างหรือเปล่าอย่างที่มันสะกดเล่นงานคนของเราตรงลำห้วยแล้วคุณยิงร่วงมันอะจอมพลนิ่งไปครู่หนึ่งผมไม่คิดนะครับ ว่าพวกมันจะมีอำนาจลึกลับอย่างนั้นทุกตัวไปอาจมีอยู่ก็ในตัวแก่ๆประเภทพ่อมดของมันโดยเฉพาะเท่านั้นสังเกตดูไอ้ตัวที่ยิงร่วงลงมาที่ลำห้วยนะัะนแม่จะเป็นลิงพันเดียวกับพวกนี้ซึ่งความจริงมันก็ฝูงเดียวกันนั่นแหละแต่ลักษณะรูปร่างของมันแตกต่างไปจากพวกนี้มากดูแก่หน้าเหี่ยวพ้าทางไม่ชะกันช่องแค่เหมือนพวกนี้ะครับ ตัวนั้นอาจจะเป็นตัวจ่าฝูงหัวหน้าใหญ่ที่สุดของมันก็ได้นะก็ยังสันนิษฐานไม่ถูกเหมือนกันนะครับขณะที่ทั้งสองกําลังหารือกันด้วยเสียงกระซิบก็ต้องหยุดชะงักลงอย่างกระทันหันเมื่อเสียงประหลาดชนิดหนึ่งดังแววมากระทบสดผ่ามกลางความเป็นดุจณีภาพของไพยายามดึกที่เงียบแสนเงียบมันเป็นเสียงดังวิววิว คล้ายกังหันลมติดลิ้นสำหรับเป่าให้เกิดเสียงอย่าเมื่อปะทะลมหมุนเร็วเต็มที่ด้วยมิฉะนั้นก็นกพิราบสื่อสารที่เจ้าของเอานกบีดผูกข้อเท้าปล่อยให้บินในอัตราความเร็วสูงเสียงนั้นครั้งแรกก็แววมาแต่ไกลแผ่วเจือจางก่อนคล้ายประสาทหูจะหลอนไปเองแต่แล้วชั่วอึดใจใหญ่ๆที่สะกดกลั้นใจจับฟังมันก็ปรากฏชัดเจนขึ้นทุกขณะ และดังใกล้เข้ามาทุกทีจนกระทั่งรู้สึกว่าท้องฟ้าเหนือสีสะัะและราวป่ารอบด้านจะระงมมไปด้วยสำเนียงประหลาดนี้แซ่ไปหมดเชี่ยถาดึงกายขึ้นนั่งในทันทีนั้นกระพินใช้เท้าเขียไปที่สีข้างของแง่ทรายซึ่งเจ้านั่นก็ชันหั ว, วูบขึ้นมาอย่างรวดเร็วราวกับเครื่องจักรกลที่ถูกกดด้วยสวิตดารินช ย, ยันและมาเรียใครจะเป็นคนปลุกใครขึ้นก่อนก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน แต่ทั้งสามคนก็พวาวเตื่นขึ้นมาในลักษณะพรวดพราดกลุ่มพราณพื้นเมืองทั้งหกคนเท่านั้นที่คืนนี้พากันหลับเป็นตายไปหมดอาจเป็นเพราะเหน็ดเหนื่อยอย่างเต็มที่แต่ก็ทิ้งระยะกันไม่นานนักขยินรู้สึกตัวก่อนจึงพลอยทำให้อีกห้าคนที่นอนกรนอยู่ไหวตัวหมดเพราะเป็นหนักๆของเจ้ากระเรียงลมช้างที่กวาต่อไปยังทักพวกไอ้ดินเพชรมันรื้อกระท่อมเราเหรอนาย ถ้าถาบุญคำสะดุ้งพรวดพลาดขึ้นมาได้ก็เผลอตัวหลุดปากลั่นออกมาเพราะวาดระแวงอยู่ก่อนแล้วแต่ชยันตะครุบขอไว้ได้อุดปากแน่นเนี่ยแล้วก็ฟังเสียงนั้นตาพรานเท่าลืมตาพลุสงบนิ่งไปในทันทีนั้นอย่างเพิ่งจะรู้สึกสํารวมสติได้ทั้งสิบสองชีวิตร่วมตายในกระท่อมที่มัน่นไม่มีใครทาเสียงใดๆขึ้นอีก นอกจากสะกดใจนั่งจับฟังเสียงลมปีกกระพือที่ยิบตักอากาศอยู่รอบตัวพร้อมทั้งสำเนียงร้องแหลมคล้ายๆสัตว์ประเภทหนูหรือค้างคาวที่ดังราหาพายุลูกเห็บมันเพิ่มปริมาณทวีขึ้นทุกขณนนะอย่างรวดเร็วจนสุดที่จะอนุมานได้แล้วผนังกระท่อมด้านนอกทางทิศเหนือก็ไวหวยวอบอย่างแรงเหมือนถูกอะไรบินเข้าชนปรากฏเสียงผุดผับกิ่งหนาที่สะไวเขย่าสะเทือนไปหมด มารีฉายไฟปราทะลุรอยโปร่งของผนังสะหนาออกไปผมมองเห็นเจ้าสิ่งนั้นได้ถนัดผมก็ร้องออกมาอย่างลืมตัวคารูด็คทิลอยมันพยายามจะฝ่านามเข้ามาให้ได้จากลำไฟฉายนั้นทุกคนเห็นภาพพร้อมกันหมดเจ้าสัตว์ปีกหนังเป็นพืชพันหน้าหัดตัวขนาดค้างคาวแม่ไก่เคืองๆตัวนึงดิ้นคล้าคาไปอยู่กับกิ่งไม้กิ่งไว้หา ที่สัะสุงแทนผนังไว้ด้านนอกมันห้อยตองแต่งอยู่ตรงริ้วหนามนั่นเองพยายามดิ้นรนกระพือปีกอย่างสุดฤทธิ์แต่ยิ่งดิ้นรนวัดวาดไปอีกหนังออกไปมากเท่าใดริ้วหนามก็ยิ่งเกี่ยวตรึงตัวมันไว้แน่นหนาขึ้นทุกทีส่งเสียงร้องลัน่นด้วยความเจ็บปวดระคนกรบแค้นอีกหลายต่อหลายตัวของกลุ่มที่บินโฉบฉวัดฉวีนอยู่รอบด้านพันหลาเข้ามาอีก โดยแลเห็นช่องทางเป็นกิ่งไม้ลักษณะโปรงซึ่งกลิ่นไอของมนุษย์โชยออกมายั่วจมูกนั้นถูกน้ำที่สะไว้ดินอยู่เดาเดจนกิ่งน้ำไหวหยั่วยาวสะเทือนไปหมดตัวแล้วตัวเลว่และทุกด้านที่มันพยายามจะแทกตัวบินเล็ดลอดเข้ามาท่ามกลางการจ้องตะลิงของฝ่ายมนุษย์ผู้สะดุ้งตื่นขึ้นมาพบกับเหตุการณ์ร้ายชนิดใหม่ยางกระทันหันจนแทบปรับตัวไม่ทัน